ของข้อเรื่องที่จะบรรยายวันนี้ขอปรับซะหน่อยนะครับก็คือเรื่องการบริหารวัดด้วยธรรมธิบารในตารางเนี่ยตอนแรกให้ผมพูดส่งไปให้ผมพูดเรื่องปฏิรูปอยู่ไปอยู่มาให้พูดเปลี่ยนตารางให้ผมพูดเรื่องการศึกษา แต่ไปดูแล้วมันก็มีวิทยากรอื่นจะมาพูดเรื่องนี้เรื่องการศึกษาและการศึกษาส่งครหบมันก็จะไปซ้ำกันแต่ผมเห็นว่าเรื่องท ร, รมาพิบาลเนี่ยยังไม่มีใครพูดน่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าวาดใหม่ทั้งหลายได้ความคิดมาจากการประชุมมหาเทรสมาคม เมื่อวานมีเรื่องเข้าไปแจ้งมหาเถรสมาคมอยู่เรื่องหนึ่งโดยท่านรัฐมนตรีสุวผพันธ์ให้แจ้งม .2 ก็คือเรื่องการเงินของวัดโดยทาง กมสันพกรได้ทำเรื่องการบริจาคเข้าการบริจาคเงินอุปถัมภ์วัดเนี่ยโดยไม่ต้องมีใบอนุโมทนาบัตรโดยการบริจาคเข้าระบบบัญชีออนไลน์ของวัด หรือผ่านธนาคารโดยที่วัดไม่ต้องออกอนุโมทนาบัตรเมื่อบริจาคเข้าระบบเนี่ยก็คือเข้าบัญชีของวัดเลยมันจะไปปรากฏเลขของการบริจาคเนี่ยจะไปปรากฏอยู่ที่กรมสรรพกร กรมก็จะสามารถยกเว้นภาษีให้กับผู้บริจาคได้เลยโดยไม่ต้องมาสอบถามว่าบริจาคจริงหรือไม่ก็หมายความว่าทางราชการรู้หมดเงินเข้าวัดกี่บาทกี่บาทในระบบนี้ตอนนี้นำร่องทดลองใช้ ในวัดสามสิบเก้าวัดที่แจ้งมอสเมื่อวานถ้าเข้าใจว่าถ้าทดลองแล้วเป็นไปด้วยดีก็คงจะมีการขอให้วัดทั่วประเทศเข้าสู่ระบบนี้ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับแคทท่ทดลองนำร่องวิธีทำอย่างนี้เป็นนโยบายของบ้านเมืองที่เรียกว่าทรมาพิบาลทรมาพิบาลคือระบบบริหารวัดการจัดการวัดเนี่ยเป็นไปตามหลัก ที่เขากำหนดว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้โดยมหาวิทยาลัยก็เรียกว่าสถานศึกษาแล้วก็ศาสนาจะเข้าระบบการเงินที่ว่านี้มีทดลองในศาสนาอื่นอยู่หนึ่งแห่งแล้วถ้าได้ผลเขาก็จะประกาศใช้ ทำไมเรียกว่าเป็นธรรมมาภิบาลซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า governance การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแล้วเราบรรยัติศัพท์ว่าธรรมมาภิบาลเป็นเป็นเรื่องที่ ทั้งบ้านทั้งเมืองตอนนี้ยตื่นตัวในเรื่องธรรมมาพิบัตรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้ไปปีหกศูนก็เน้นเรื่องนี้ถามว่ามันคืออะไรแล้วมันทำไมมันเกี่ยวข้องกับทุกองคาพยพของเมืองไทย และแม้กระทั่งในวัดก็ไม่เว้นนะเราเข้ามาสู่การบริหารจัดการในยุคนี้ท่านทั้งหลายเป็นเจ้าวาดในยุคนี้ก็ต้องรู้ทันตามทันและทำงานให้สอดคล้องกับเรื่องเหล่านี้ เรื่องเหล่านี้คืออะไรเนี่ยผมจะใช้เวลาบรรยายถวายข้อมูลความคิดต่างๆความรู้ต่างๆในเวลาที่กาหนดให้คือสองชั่วโมงแต่ว่ามาเสียเวลาปรับคอมพิวเตอร์ด้วยเลยด้วยผมก็ถือว่าเป็นเวลานอกผมก็จะ เ, เวลานั้นเนี่ยบรรยายเกิไปตามนั้นผมเป็นคนตรงเวลามากินเวลาผมผมก็ขยายต่อไปอีกเนาะ แต่ไม่เกินสองชั่วโมงเรื่องที่ว่าบริหารวัดด้วยธรรมิบาลเนี่ยมันจะมีสองคำหลักๆการบริหารวัดคำหนึ่งธรรมาิบานคำหนึ่งการเป็นเจ้าอาวาสบัญชีเราก็เรียก ว่าสมผานสมผานเจ้าวัดเป็นอธิการเป็นเจ้าอาวาสมันมีคำเรียกซึ่งมีความหมายต่างกันการที่เป็นอธิการพอไปเป็นเจ้า น, น้าบดเป็นเจ้าอธิการเนี่ยก็หมายความว่าเป็นใหญ่ ในกิจการในวัดที่เรารับผิดชอบไปหาคือเป็นหัวหน้านะเข้าไปในวัดเขาก็ไปหาอาธิการเหมือนอธิการโบสถ์อธิการวัดแม้กระทั่งอธิการบดีคือเราเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประมุขแต่คำที่ใช้คําว่าสมผารเนี่ยนะ มันเหมือนกับภาระหนักมันมาตกอยู่ที่เราทั้งรับผิดและก็รับชอบเวลาได้ดีประสบความสำเร็จในวัดเรารับชอบแต่ถ้าเกิดปัญหาแม้กระทั่งเราไม่ได้ทำแต่ลูกน้องไปทำเรารับผิดไปด้วย มันจึงสะสมภาระมาอยู่ที่ตัวเราบางลูกเป็นสมพานเต็มตัวคืออะไรอะไรก็ต้องมารวมอยู่ที่นี่รวมศูนย์ยิ่งในต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่มีคนแบ่งเบาภาระแม้กระทั่งจะมายืมเสื่อศาสสนะ ก็ต้องถึงสมถันที่เราเรียกกันว่าตั้งแต่สากกระเบื อ, อยนเรือรบอะ่ะไม่อยู่ที่เราหมดในปัจจุบันเราทำงานอย่างนั้นไม่ได้โลกมันเปลี่ยนแปลงถ้าทุกอย่าง ม, มันเราจะต้องทำเองหมดเนี่ยนะ ไม่สามารถจะดูแลได้ทั่วถึงทีลอดตาช้างห่างลอดตาเลนอะไรที่มันเล็กตาข่ายมันเล็กๆเนี่ยนะช้างมองไม่เห็นช้างจะมองเห็นตาข่ายใหญ่ๆเพราะตามันใหญ่ตัวมันใหญ่ถ้ามันห่างมากเลนมันตัวเล็ก มันก็ไม่เห็นนี่คนเราแม่ก็ต้องมีจุดที่หลุดรอดความถีดท่วนของเรามันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ทั้งหมดฉะนั้นการเป็นเจ้าวามันจึงไม่ใช่แค่แคสะสมภาร ก, กิจมาทำคนเดียว แต่รับผิดชอบนะใช่ท่านก็จะต้องหาคนมาช่วยคนมาช่วยในแต่ละด้านแต่ละฝ่ายขับเคลื่อนภาระของท่านถ้าหาคนที่ดีมาช่วยท่านก็รับชอบไปหาคนผิดมาช่วยสร้างปัญหาท่านก็รับผิดไปตัวเรานี่แหละ มันเรียกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความฉลาดในการใช้คนความฉลาดในการใช้คนเขาเรียกว่าบริหารเพราะฉะนั้นการดูแลวัดจัดการวัดทำคนเดียวไม่ได้อย่างน้อยมันจะต้องมีลูกศิษย์ควาดกุติให้เราล้านบาทให้เรา มีคนให้เราใช้หนึ่งคนเรียกว่าผู้เราก็เป็นผู้บริหารผู้บริหารคือทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื่นทำงานคนเดียวทุกอย่างไม่เรียกว่าผู้บริหารผู้บริหารวัดคือ ทำงานวัดให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื่นฉะนั้นก่อนมาเป็นเจ้าวาดเดี๋ยวท่านไม่ต้องพึ่งใครเราขยันเราก็ทำขี้เกียจเราก็หยุดชีวิตเราขึ้นอยู่กับเราคนเดียวแต่พอมารับภาระเป็นเจ้าวาดขี้เกียจก็หยุดไม่ได้ คนมากันเต็มวัดเราก็ต้องเปิดวัดทำกิจกรรมแล้วเราทำไหวเลยถ้าไม่มีแขนมีขามีมือมีเท้าไม่ไหวฉะนั้นท่านก็จะต้องวางระบบในการให้คนอื่นมาช่วยงานพระราม จะลบยังต้องมีหนุมานมีลิงมาช่วยเลยท่านลบกับทศกพระพุทธเจ้ายังจะต้องมีอสีติมหาสาวกบริหารกิจการพระศาสนาพระองค์ไม่ได้ทำงานทุกอย่างพระองค์บริหารกิจการพระพุทธศาสนาอย่างฉลาดโดยคณะสงฆ์สังฆะนี่แหละ คณะสงฆ์นี่แหละแบ่งเบาภาระพระพุทธเจ้าตอนแรกๆยังไม่มีคนมาขอบวชมากเพราะองค์ก็บวชให้ด้วยเอหิภิกขุระสัมปทาเป็นอุปชาเองตอนหลังเป็นอุปชาด้วยติสารณัคขมานูระสัมปทาสุดท้ายขืนนั่งเป็นอุปชาเันทุกคนเนี่ย ปฏิบัติไม่ได้แล้วไปไกลๆด้วยต้องให้พระสงฆ์แบ่งเบาภา ร, บระบรรพชาปสมบทด้วยเอเอด้วยกรรมาวาระเพราะฉะนั้นเมื่อให้พระสงฆ์เป็นใหญ่มี การบวช ด, ด้วยยติจจตุกรรมมาวาจา <_ d ance> ์เท่ากับบริหารคณะสงฆ์ <_ d ance> พระองค์วางระบบมีกติกามีพระวินวัยมีกฎระเบียบให้คนปฏิบัติตามนั้นถ้าพูดภาษาสมัยใหม่มันก็คือการบริหารด้วยธรรมมาพิบาท แต่ชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าเรากะทำเราก็ไม่รู้ว่าธรรมมาพิบาลคืออะไรมันจึงพูดกันไม่รู้เรื่อง ก, กิจกา ร, รศาสนาที่ให้พระสงค์เป็นใหญ่มันคือระบบธรรมมาพิบาลเป็นการบริหารจัดการฉะนั้นเมื่อท่านเข้าสู่ตำแหน่งเนี่ย จะชอบหรือไม่ชอบท่านก็ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นให้ได้และคนอื่นไม่ใช่พระเ น, นในวัดอย่างเดียวยังหมายถึงชาวบ้านนายกอบตอกำนันผู้ใหญ่บ้านครูซึ่งจะต้องมาช่วยงานวัดและจะมาบริจาคสร้างอะไรต่อมิอะไรให้เรา เราจะให้เขาเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยเราได้อย่างไรด้วยระบบบริหารและเป็นระบบสังฆะที่สมัยใหม่เรียกว่าธรรมาปิตาลด้วยความคิดนี้เลยนะครับผมจะขอเริ่มจาก การที่เราเป็นจเจ้าวาดจะบริหารสั่งการเนี่ยถ้าคนเขาไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามมันไม่มีประโยชน์ทำอะไรไม่ได้สั่งแล้วคนต้องทำตามการสั่งแล้วคนทำตามเพราะเรามีอำนาจหนึ่งเราต้องมีอำนาจ และคําสั่งของเรานั้นเป็นไปโดยถูกต้องมีกรอบให้เดินแล้วเดินตามกรอบตามกรอบของอานาจนั่นแหละปลอดภัยถามว่ากรอบที่พระเราจะต้องเดินมีอะไรบ้างมีสามอย่างแล้วท่านจะต้องศึกษาว่าสามอย่างที่ว่าเนี่ย ให้อำนาจแก่เราอะไรบ้างหนึ่งกฎหมายแผ่นดินสองพระวินยัยสามจารีตเราจะต้องศึกษาเลยว่ากฎหมายแผ่นดินพระวินยัยจารีตที่ให้อำนาจแก่เราเนี่ยมันคืออะไร เขาให้เราทำอะไรได้บ้างถ้าเราไม่รู้ขอบเขตของอำนาจนี้เลยนะสั่งการผิดคนก็ไม่ทำดีไม่ดีโดนฟ้องใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดหรือละเว้นการใช้อำนาจหน้าที่เราจำเป็นจะต้องรู้ไหม จำเป็นเขาจึงเอาท่านมาอบรมนี่แหละสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชชรยานวโรรสทรงประทานข้อแนะนำแก่พระสงฆ์เมื่อร้อยปีมาแล้วว่าพระสงฆ์เนี่ยมีกฎระเบียบที่จะพึงฟังหรือปฏิบัติตามอยู่สามเรื่อง หนึ่งกฎหมายแผ่นดินสองพระวินัยสามจารีตในสามเรื่องเนี่ยผู้เป็นเจ้าวาดจะต้องรู้ให้ได้ว่ากฎหมายแผ่นดินตรงไหนให้อำนาจหน้าที่อะไรแก่เราเมื่อเราสั่งตามอำนาจหน้าที่แล้วคนจะเชื่อถือและปฏิบัติตาม พระวิไยให้อำนาจแกเราในการทำอะไรบ้างจารีตให้อำนาจแกเราในการทำอะไรได้บ้างเรื่องกฎหมายแผ่นดินเดี่ยวผมจะว่าในรายละเอียดเรื่องของพระวิไนในวันขึ้นแรมสิบห้าคำหรือสิบสี่ค่ำต้องมี ปาติโมกถึงเวลาพระไม่ลงปาติโมกถามว่าผิดกฎหมายไหมไม่ผิดแต่ไม่เอื้อพระวิไนยฉะนั้นเราก็ต้องดำเนินการโดยอาศัยพระวิไนยนี่แหละจัดการให้พระภายใต้ปกครองลงฟังปาติโมก ทุ ก, กึ่งเดือนและถ้าเขาไม่ลงไม่ปฏิบัติตามเราจะทำอะไรได้บ้างตามกฎหมายกฎหมายเขาก็ให้อำนาจหน้าที่จเจ้าอาวาสอำนาจในการสั่งให้คนปฏิบัติตามทำงานในวัด ปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบของเจ้าว่าและถ้าฝาฝืนไม่ปฏิบัติตามเรามีอำนาจลงโทษแค่ไหนมีอำนาจสั่งให้คนออกจากวัดหรือไม่และถ้าเขาไม่ออกกฎหมายให้เราทำอะไร สิ่งเหล่านี้เราต้องรู้ทั้งหมดเพื่อที่จะได้รับมือกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีอำนาจหรือมีอำนาจแต่ใช้อำนาจไม่เป็นวัดก็พังที่เราต้องทำเพราะอาสามาเป็นเจ้าวาดจะมาพังในยุคเราไม่ได้ บุรพาจาาย์เขารักษาไว้ดีแล้วเราต้องรักษาสืบไปหรือถ้าเคยพังมาก่อนเราแล้วมายุคเราต้องปรับให้ดีขึ้นและเราก็อาศัยสามเรื่องนี้แหละขับเคลื่อนซึ่งผมจะลงในรายละเอียดต่อไปเราไปดูหน้าที่ก่อนในกฎหมายซึ่งวิยากรอื่น ได้บรรยายหมดแล้วแต่ผมเท้าความเฉยในกฎหมายบ้านเมืองมาธพระราชบัญญัติคณะสงฆ์สองพันห้าร้อยห้าแก้ไขเพิ่มเติมสองพันห้าร้อยสามสิบห้ามาตราสามสิบเจ็ดท่านจะต้องจำได้ขึ้นใจในเนื้อหา ว่าการอาสามาเป็นเจ้าวาเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรข้อหนึ่งบำรุงรักษาวัดจัดกิจการสาธ า, าสบัติข้างวัดให้เป็นไปด้วยดีอันนี้เนี่ยเป็นงานสาธารณูปการพูดแค่นี้นะครับ ส่วนข้อที่สองปกคล้องสอดส่องบรรพชิตขัหัะที่อยู่ในวัดเนี่ยนะครับให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอันนี้เป็นเรื่องของปกครองข้อสามเป็นธุระในการศึกษาอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและขัหั์เป็นการศึกษาและการเผยแผ่ ส่วนข้อที่สี่ให้ความสะดวกตามสมควรในการบาเพ็ญกุศลอันนี้ก็คือเรื่องของการเผยแผ่เราต้องเปิดวัดให้คนมาทำบาเพ็ญกุศลได้สรุปแล้วในอา น, นาจหน้าที่ของท่านเนี่ยมันมีสี่ปกครองศึกษา เผยแผ่สาธารณประกาศจะขอความดีความชอบสมณศักดิ์มันก็สี่เรื่องแต่พอเป็นเจ้าคณะตำบลเพิ่มมาอีกสองตามกฎมหาเถรสมาคมศึกษาสงเคราะห์และก็สาธารณสงเคราะห์ ซึ่งศาสนาสงเคราะห์มันก็อยู่ในข้อสี่นั่นแหละหรืออยู่ในข้อสามนั่นแหละเป็นการเผยแผ่สรุปแล้วนะครับทําให้มันหกด้านนั่นแหละปลอดภัยปกครองให้เรียบร้อยศาสนศึกษาเรียนบาลีนักธรรมจัดให้มีการเรียนบาลีนักธรรมไม่มีบาลีก็สอบนักธรรม ไม่มีนักทมก็ทามาศึกษาศึกษานะครับศาสนศึกษาศึกษ า, กษาสงเคราะห์บางแห่งมีโรงเรียนการปุศนของวัดบางแห่งมีโรงเรียนพุทธนาวันอาทิตย์ก็แล้วแต่ว่าหรือท่านไม่ได้จัดอย่างนั้นให้ทุนการศึกษา ในผลกลางเนี่ยถ้าจะทำให้ดีนะทำบัญชีเรื่องทุ น, ทนการศึกษาแจกทุนจริงๆเก็บข้อมูลไว้มิฉะนั้นมีปัญหาในการที่จะตั้งสมณศักดิ์เลื่อนหรือเข้าสู่ตำแหน่งศึกษาสเคราะห์ท่านก็จะต้องมีไม่มีไม่ได้เพราะผลกลางกำหนดแล้วท่านจะต้องมีแจกทุนมันก็เป็นศึกษาสเคราะ์ซึ่งมันอยู่ใน ข้อสามนั่นแหละเผยแผ่อันนี้ชัดเจนสาสรุปการเรื่องการก่อสร้างเลือบุรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติของวัดสาธรณะสมเพราะห์มาเผาศพในวัดเราก็ต้องเอื้อเขาให้เขาเป็นสาธารณสมเพราะห์ยากจนไม่มีโลงศพกอหาโลงศพให้ เข้าไปพัฒนาหมู่บ้านน้ำท่วมไฟไหม้าศาสนสุเคราะห์วัดเราในบางเขตน้ำท่วมมีทุนวัดช่วยวัดก็เบิกเอามาดูแลพระในวัดชาวบ้านเดือดร้อนเราก็เป็นปากเป็นเสียงไปบอกบุญญาติโยมที่เขาไม่เดือดร้อนที่อยู่ในที่อื่น เอามาช่วยชุมชนเราก็เป็นสาธารณสงเคราะห์รวมความว่าอำนาจหน้าที่ของเราเนี่ยมาเป็นเจ้าวาดเนี่ยมันก็คือ6กด้านปกครองสาธนรณศึกษาศึกษาสงเคราะห์เผยแพร่สารบุประการสาธารณสงเคราะห์จำให้แม่นแล้วลองวิเคราะห์ดูกลับไปวัดของท่านเนี่ย ด้านปกครองมีอะไรยังปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นไหมด้านาศาสนศึกษาเราจะทําอะไรเป็นโครงการขึ้นมาศึกษาสมเคราะห์ทำไหวไหมเผยแผ่เราจะทําอะไรสาขรูปการกุฏิไหนมันจะพังเราจะซ่อมไหมหรือเราจะมีเจ้าภาพจะสร้างอะไรวานแผนและ และสาธารณสงเคราะห์ช่วยเหลืออาชีพช่วยชาวบ้านอะไรยังไงก็ตามถามว่าในหกด้านเนี่ยท่านคิดว่าตัวท่านพร้อมที่จะทำในเรื่องใดก่อนและเรื่องนั้นเนี่ยเราถนัดนี่ถามตัวเองเนะเมื่อท่านมามบลงที่นี่ สองถึงเราไม่พร้อมเราไม่ถนัดแต่ทิ้งไว้ไม่ได้เราจะต้องทำมิฉะนั้นมันจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวลุกลามจะทจะทำไงต้องรีบแก้ปัญหาปัญหามีเยอะเป็นร้อยข้อแต่ข้อไหน ถ้าไม่แก้แล้วมันเสียหายมากกัะพบเราเราต้องรีบจัด ก, การเรื่องไหนที่เราจะสร้างเราจะพัฒนาดูมันไม่ได้ใช้เงินมากมายแต่ทำแล้วมันเข้าตากรรมการผู้ใหญ่สนับสนุนเจานา้จาคณะจังหวัดชอบ มันเป็นเทรนด์มันเป็นแนวโน้มในปัจจุบันทำแล้วสะดวกชาวบ้านก็ชอบเราก็ชอบทำเหนื่อยน้อยแต่ว่าได้ผลงานมากอันนี้คือท่านจะต้องไปนั่งคิดแล้วก็วางแผนผมจะพูดในรายละเอียดที่ว่า จะทอะไรจะคิดอะไรวางแผนอะไรและมันเป็นธรรมมาพิบาลอย่างไรจากหน้าที่6ดกได้นเนี่ยแต่ท่านจะทำได้หรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่อำนาจของท่านใช้อำนาจเป็นไหมเราอยากจะทำสักอย่างหนึ่งแต่เราไม่มีอำนาจต้องไปยืมจมูกคนอื่นหายใจทำไม่เป็น เงินไม่มีแล้วจะทำยังไงอำนาจนะครับท่านกลับไปวิเคราะห์ตัวเองว่าท่านจะต้องคุมสามเรื่องให้ได้อำนาจตามกฎหมายนี่ยังไรเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์อีกทีนึงแต่โดยหลักเนี่ยเราต้องมีอำนาจกำกับสามเรื่อง หรืออย่างน้อยสองเรื่องอย่าให้คนอื่นมาคุมแทนเราโดยที่เราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องที่หนึ่งครับคนครับคุมคนเรื่องที่สองคุมเงินเรื่องที่สามคุมงาน คุมคนคืออะไรกลับไปวัดนะครับเราเป็นจเจ้าว่าเนี่ยมันมีคนอยู่ในวัดเรากอนเราแล้วชอบเราก็มีไม่ชอบเราก็มีสนับสนุนเราก็มีฝ่ายค้านก็มีเห็นไม้มท่านไม่ได้คุมคนทั้งหมดเพราะฉะนั้นท่านไปใช้คนที่ไม่เห็นด้วยกับท่านที่ไม่สนับสนุนท่านเขาก็ไม่ทำงาน เมื่อท่านคุมคนไม่ได้ใครจะมาเป็นแขนเป็นขาให้ท่านหรือบางรูปไม่มีคนมาอยู่ด้วยท่านาท่านเป็นเจ้าวาดมาจะไหนไม่รู้ไม่มีผ้าอนุจรตามมาเลยหัวเดียวกะเทียมรีบสั่งเมลยังไม่ได้เลยท่านเพราะฉะนั้นท่านจะต้องหาพวก หาพวกคือยังไงบางรูปเจ้าว่าบางรูปนี่คัดไปพวกที่มเห็นด้วยออกให้หมดหาน้ำใหม่มาแทนมันก็มีฝ่าย้านต่อต้านล้อเรียนสารพัดท่านเหตุเพราะว่าอยากจะได้คนมาช่วยงานไปไล่คนที่เราไม่ชอบแต่เขาเป็นผู้นำ มีรูปน้องเยอะไปแตะคนที่ไม่ควรแตะไปถอดคนที่ไม่ควรถอดพึ่งแตกหลังครับบางรูปไปทำอย่างนี้ตัวเองอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจะต้องค่อยๆใจเย็นหน่อยนะครับดูตามาตาเรือใครคือผู้ ที่ไม่ควรแตะแต่เอามาเป็นพวกค่อยๆดึงมาเขาไม่มาก็ให้เขาอยู่อย่างนั้นไปก่อนแต่คนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยเราจะต้องมีสิทธิ์คัดกรองมิฉะนั้นกฎมสในเรื่องของการบวชเนี่ยนะบรรณชาติสมบทต เ, เขาจะไม่บัญญัติไว้นะครับ จะเจ้าคณะตำบลจะไปนั่งอุปช่าวัดไหนจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดนั้นก่อนอันนี้อำนาจของท่านไม่ใช่ใครก็ไม่รู้อยากจะมาบวชวัดเราไปหาอุปชามาแล้วก็มาบวจอุปชาก็มานั่งแล้วก็บวชแล้วให้อยู่จำพรรสวัดเราเราไม่เห็นด้วยเราไม่อยากได้ เอามาทำไมเพราะฉะนั้นเจ้าอาวาสจะต้องตรวจ ด, ดูคุณลักษณะในอันนี้มันอยู่ในกฎ ม, มสฉบับที่กฎมสที่ว่าด้วยการมาประชาสมบทมันเป็นเรื่องของประชาแต่ขอให้อานาจท่านไว้ท่านจะต้องตรวจ ด, ดูว่าเด็กคนนี้เด็กนมคนนี้จะมาบวชเนี่ยมันใช้ได้จะอยู่นานกี่วันบวชชั่วคราวไม่เป็นไร แต่ถ้าอยู่จำพรรษาเนี่ยไม่ใช่มาบวชแล้วสร้างปัญหาให้เราไปบวชวัดอื่นติดยาป่ะนักเลงป่ะเห็นไหมเขาให้อํำนาจท่านเจ้าวาดไอ้เจ้าคณะตาบลเป็นอุปชาจะมานั่งอุปชาในวัดเรายังต้องได้รับการอนุญาตเจ้าวาดจะต้องเป็นอะไรครับท่านอย่างน้อยท่านจะต้อง เป็นผู้สวดถ้าเขาจะอยู่วัดเราคนละบทที่จะมาบวชอยู่ในวัดเราอุปชาเป็นเจ้าหนะน้าทบลแต่เราจะต้องเป็นผู้สวดเป็นกรรมวาจ า, จารหรืออนุสาวรณาจาร์มันจะได้มีบุญคุณว่าเราตักเตือนกันได้ระบบเขาวางไว้แล้วครับแล้วท่านจะบอกโอ้ไม่เอาละเป็นผู้สวดไม่ทำไม่นั่งไม่อะไรต่า ง, างไม่รับไม่รู้ใครจะมาบวชก็เชิญ แล้วแต่จ้าคณะตะบลอันตรายครับเน้นแม้กระทั่งสัมณีนไม่ใช่ว่าจะมาบวชจะมาอะไรต่างอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้มาจากไหนก็ไม่รู้การรับคนเข้าท่านจะต้องตันกลองและการจะตั้งใครเป็นผู้ช่วยจ้าอาวาสให้รับผิดชอบโครงการอะไรต่างเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาคนที่ เขาไม่ทำงานสอดคล้องกับท่านมาเป็นอย่างน้อยที่สุดไม่ใช่ว่าใครฝากมาตั้งคนดี้หน่อยตั้งคนดีหน่อ ย, อยเขาสนองงานเราไหมคุ้มคนให้ได้ก่อนผมเป็นอธิการบดีมหาจุฬามายี่สิบปีท่านมีวิทยาเขตวิทยาลัยนีย่ทั่วประเทศต่างประเทศห้าประเทศ มีนิสิตสองหมื่นห้าพันรูปปริญญาตรีทังปริญญาเอกมันจะมีระบบดูแลกันอย่างนี้ทั้งมหาวิทยาลัยฉะนั้นเรื่องคนเอาคมพูดสั้นๆนะครับเป็นเรื่องสำคัญและถ้าท่านต้องรีบทำรีบ หาคนไปชวนใครก็ได้อยู่วัดไหนก็ได้ที่เก่งๆมาอยู่กับเรามาสนองงานเราในตำแหน่งดีๆหน่อยแล้ววัดมันก็จะเปลี่ยนโฉมในยุคท่านหาคนเก่งเล่าปีมีทหารห้า0ันคนในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยจริงๆจะ ก, กอบผู้สถาบันห้องเต้ โจโฉทราราคุมห้องเต้ไว้ปราฝายตรงข้ามทั้งหมดรวมทั้งก๊งเล่าปีซึ่งเล่าปีเหลืออยู่ห้าพันจัดหมื่นลกแพ้มาเรื่อยหนีมาเรื่อยโจโฉยกทัพไล่ล่ามามีทหารสองแสงสู้เขาไม่ได้เล่าปีเดินไปในท้องทุ่งไปเจอ นักบวชลัทธิเต๋าเรียกว่าเซียนชื่อสมาติโชวแนะนำว่าท่านต้องไปหาคนดีมีฝีมือมาช่วยเล่าปีบอกว่าผมมีอยู่แล้วคนดีมีฝีมือน้องล่วนสาบายโกนอูเตียวหุยลบเก่งมาก ไม่เคยแพ้ครับรบเก่งมากเป็นคนดีมีฝีมือผมไม่ต้องไปหาใครสุมาเต็กโชย้อนถามถ้าท่านคิดว่าท่านมีคนดีมีฝีมือพันเราปีแล้วทำไมรบแพ้มาตลอดจากทาหารเป็ น, ปนมือล้อยยอ่ห้าพันเนี่ยปู่จริงเนาะทำไมรบแพ้มาตลอด สุมาเตโชขยายขว้างเพราะท่านขาดคนดีมีฝีมือที่จะมาวางแผนใช้นักลบของท่านให้มันถูกที่ถูกทางกวนอูติวหุยนี่มันเป็นนักลบมมันไม่ใช่นักวางแผนไม่ใช่ผู้จัดการไม่ใช่ผู้บริหารมันเป็นผู้ปฏิบัติการในวัดของแต่ในวัดของเราเนี่ย อาจจะมีผู้ปฏิบัติการเยอะแยะหมดแต่ขาดคนจัดการจัดคนขาดคนที่จะมาวางแผนว่าจะใช้คนนี้ทำอะไรคนนี้ทาอะไรจะเปิดบาลีไหมจะเปิดนักธรรมไหมจะบริหารจัดการอย่างไรอันนี้มันงานของเจ้าวาด เล่าปีพอรู้อย่างนี้ว่าจะต้องมีคนวางช่วยวางแผนจึงไปหาองเบิงท่านสมาเต็โชวแนะนาว่าไปหาองเบ่งเล่าปีไปหาสามท้งไปกราบกรานจนกระทั่งองเบ่งยอมมาเป็นคุณซือมาเป็นที่ปรึกษามาช่วยบริหารกองทัพตอนนั้นเล่าปีอายุ47คงเบ่งอายุ27ท่าน เล่าปีก็เลยสถาปนาตัวเองเป็นในที่สุดตอนหลังได้เป็นห้องเต้เป็นจกกักรพรรดิโจโฉโ ก, ก, โโโ ก, ก็มีจักรพรรดิกกซุนกวนก็มีจกักรพรรดิเราเรียกสามกกจากห้าพันคนเนี่ยขึ้นเป็นห้องเตะเพราะฝีมือการบริหารจัด ก, การของของบบ้งวัดเล็กๆ ก, ก็อาจจะเป็นวัดใหญ่โตมีความสำคัญถ้าท่านรู้จัก ใช้ขนหนึ่งคุมคนนะครับสองคุมเงินครับคำว่าคุมเงินนี่ท่านอย่าไปเสียถ้าเอามารู้อยู่คนเดียวนะเอาบัญชีมาเอาในชื่อเราเบอร์จ่ายอยู่คนเดียวอย่างนั้นเกิดเรื่องขึ้นมันขัดหลักอรมมาพิบาลเงินหมายความว่าท่านจะให้ใครก็ตามวัยยาวจกรคนไหนก็ตามอะไรก็ตาม มาช่วยกันเซ็นเบิร์จ่ายเนี่ยท่านต้องมีสิทธิ์ในการที่จะสั่งว่าเอาเงินนี้ไปทำอะไรได้ไม่ใช่ว่าเงินมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้อยู่ที่วา ย, ยาวจกรงอยู่ที่กรรมการวัดวันนี้คือมันหออหนีไปไหนก็ไม่รู้ถ้าท่านไม่ได้ไม่รู้ว่าเงินมาอยู่ที่ไหนไปไหนมาไหนอวาสานครับทำงานไม่ได้ เงินมันเหมือนกับเส้นเลือดอท่านจัดงานโดยไม่มีเงินจ่ายเงินก็นไม่ได้อะไรก็ไม่ได้คือท่านไม่มีอำนาจเม้่ท่านจะเอาคนมาจ้างมาทำอะไรมันก็ต้องสั่งคนคุมเงินว่าไปจ่ายให้เขาต้องวางระบบแต่ระบบที่ไม่ดีเรามาคุมคนเดียวก็ไม่ใช่ธรรมาพิบาลให้คนอื่นคุมเงินเบิกจ่ายเสร็จในตัวเองก็ไม่ใช่ธรรมาพิบาลธรรมาพิบาตคืออะไรเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึง คุมเงินเรื่องที่ส่งคุมงานงานที่มันไม่ควรจะสร้างไม่ควรจะทำแต่ก็มาทำมาสร้างในวัดเรามีประโยชน์อะไรวัดผมวัดประยุรวงศาวาสเด ấy, มีโยมอยากจะมาสร้างอาคารถวายเมื่อยี่สิบปีมาแล้วราคาแปดแสน พระก็ไปหาศิลปินแห่งชาติเขาเป็นลูกศิษย์ท่านชื่อพินโยสวรรณศิริให้ออกแบบให้คุณพินโยศิลปินแห่งชาติก็ถามว่าหลุกพี่ออกแบบไปทำอะไรบอกมีเจ้าภาพจะมาสร้างอาคารตรงนี้ให้เป็นอนุสรณ์คนตายศิลปินแห่งชาติก็ถามว่า ราคาเท่าไหร่แปดแสนสมัยรู้นแล้วเขาก็ถามหลวงพี่รู้ไหมที่ดินวัดหลวงพี่เนี่ยมันราคาเท่าไหร่กี่ล้านเนี่ยตารางวาเนี่ยเขาจะไปสร้างแบบนี้ที่ไหนไม่ได้มาสร้างที่ของท่านแล้วมาสร้างเล็กๆไม่มีประโยชน์และเกเกะเปล่าๆเนี่ยทําทําไมผมไม่ออกแบบให้เขาก็ไม่ออกแบบแล้วก็ไปเด็สร้าง เจ้าเอาว่ารู้เขา้าตรงไม่ต้องสร้างมันไม่คุ้มไม่ใช่ว่าใครนึกจะสร้างตรงนี้นึกจะทำอะไรก็ทํทำเราไม่มีสิทธิกำหนดแม้กระทั่งมาตัดต้นไม้เราก็ไม่รู้เลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านจะคุมสามเรื่องทั้งคนทั้งเงินทั้งงานท่านมีอำนาจไหมอำนาจมันก็อยู่ในมาตราสามสิบแปด หนึ่งห้ามบรรพชิตและกระหังซึ่งไม่ได้รับอนุญาตของเจ้าวาดเข้ามาอยู่อาศัยในวัด น, นี่เรื่องคนใช่ไหมเราคุมคนเรามีอำ น, นาจใครที่ไม่ไม่มาช่วยงานไม่อยากได้เข้ามาแล้วมีปัญหาอย่าให้มาอยู่สองสั่งให้บรรพชิตหรือกรหังซึ่งมาอยู่ในอวัตของเจ้าวาดออกไปอยู่อวัตเรื่องคนอีกเลยเห็นไหมไม่ทํางานก็ยอย่าอยู่กันพอสาม สั่งให้บรรพชิตที่มีอยู่ที่มีที่อยู่พำนักอยในวัดทำงานภายในวัดทำทันบนอะไรก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องคนทันสิ้นแต่คนนี่มันคุมอะไรคุมเงินเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องคุมไปถึงเงินและเวลาสั่งให้เขาทำงานเนี่ยนะครับพระสามเนี่ยทางานภายในวัดนี่คือคุมงานสรุปแล้ว ท่านมีอํานาจในสามเรื่องอย่าบาันเทเนี่ยนะเราใจดีแล้วแต่เนนจะเรียนหรือไม่เรียนเนี่ยนะแล้วแต่อาจารย์ใหญ่ใครจะลงโบสถ์แล้วไม่โบสถ์แล้วแต่ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ในที่สุดอํานาจไม่มีนะครับตัวท่านเองเพราะท่านไม่ได้ลงไปเกี่ยวข้องกับคนไม่รู้จักทวารท์ใหญ่ก็ไม่รู้จักคน ญาติโยมมาทำบุญเจ้าอาวาสอยู่ที่ไหนองค์ไหนยังไม่เคยเห็นมีแต่พระรับหน้าแทนหมดและวันหนึ่งเจ้าอาวาสอาจจะอยู่ไม่ได้เมื่อผมทำงานไม่ว่าจะในตำแหน่งใดก็ตามจะต้องพบคนเซ็นใบสุดที่ใครจะมาอยู่จะไปไม่ใช่ฝากรกัน มาดูหน้าหน่อยต้องสอบให้ได้ก่อนมาบวชอยู่ที่นี่ต้องสอบให้ได้สอบได้แล้วถึงจะเซ็นใบสุดที่ให้แล้วไม่ใช่ฝากใครมาเน้นน้อยฝากหลวงพี่มามโผ๋ก็ไม่เซ็นมาดูหน้ากันหน่อยแล้วเราจะได้เหมือนกับพูดอบรมตักเตือนกติกากันไปจะอยู่ต่อไปเนี่ยท่านต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้คนครับ เรื่องเงินเหรอไม่ใช่ว่าให้ใครก็ได้ทำบัญชีสอตงงเขาเตือนเลยครับอย่าให้คนคนเดียวเก็บเงินอย่าให้คนคนเดียวจ่ายเงินคนคนนั้นจ่ายเงินเก็บเงินจ่ายเงินทำบัญชีเบ็ดเสร็จอยูค่คนเดียวเงินหายครับท่านเสียงโดยใช่เหตุ ถ้าที่ไหนก็ตามกรรม ก, การวัดคนเดียวทำทุกอย่างสต ง, งบอกว่าผิดอ่ะสำนัก ง, งานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเขาจะบอกเลยคนเก็บเงินคนหนึ่งเหรัยญญิกคนหนึ่งคนทาบัญชีอีกคนหนึ่งถ้าให้คนเก็บเงินจ่ายเนี่ยมันจ่ายไปร้อยบาทมันเขียนเออมันจ่ายไป มื่นบาทมันเขียนว่าจ่ายร้อยบาทก็ได้ใครจะไปรู้รับมาหนึ่งมืนมันเขียนบอกว่ารับห้าร้อยก็ได้แต่ถ้าคนหนึ่งเก็บเงินหนึ่งมืนบาทอีกคนหนึ่งทาบัญชีเนี่ยมันจะทวงกันนี่คือระบบธรรมมาพิบาตผมยังไม่ได้เข้าเรื่องธรรมาพิบาทินะการคุมเงินการอะไรต่างเนี่ยมันจะต้องมีระบบทวงดุล น, นั่น ถ้าท่านไปปล่อยให้คนใดคนหนึ่งทําอย่างเดียวมนตั้งกต่ต้นเนี่ยสทงอบอกผิดอ่ะแล้ววันหนึ่งท่านจะเสียใจฉะนั้นอำนาจอย่างผมจะพูดเรื่องอำนาจให้จบก่อนแล้วจะไปเรื่องอื่นเรื่องบริหารอำนาจของท่านมาจากอีกเรื่องหนึ่งครับในฐานะเจ้าว่าที่ผมตั้งกันสามถ้าท่านไล่คนที่ปฏิิบัตไม่ปฏิบัติตามโอวาทเนี่ย ให้ออกจากว่าอะเขาไม่ออกเนี่ยเขามีความผิดไหมมีครับตามมาตรา45ให้ถือว่าพระภิกษุที่รับแต่งตั้งโนงสำหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และวยวาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญาเราเป็นเจ้าวาดเนี่ยเราเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายมีอำ น, นาจในฐานะเจ้าพนักงานเหมือนตำรวจ ตารวจเป็นเจ้าพนักงานมาขอตรวจขอคน้นอในในที่สาธารณะในอะไรต่า ง, างเขามีสิทธิ์และถ้าเราไม่ให้ตรวจเราไปด่าเขาเนี่ยขัดขืนเจ้าพนักงานมีโทษตามกฎหมายเจ้าวาดสั่งให้คนเมาเนี่ ย, นยในการกําลังจะบวชอยู่ในโบสเนี่นะมันเมาเอไอยาเราไล่ให้มันออกจากวัดไปถ้ามันไม่ออกไม่ใช่ว่าขัดคําสั่งเจ้าวาดอย่างเดียวครับ ขัดคำสั่งเจ้าพนัก ง, งานตามกฎหมายเราเปลียนว่าเจ้าพนัก ง, งานเขาต้องได้รับโทษตามกฎหมายถามว่าโทษนั้นคืออะไรครับมาดูกันคําว่าเจ้าพนัก ง, งานคืออะไรคำพิพากษาสามดีกานะครับสองพันสี่้อยเก้าสิบให้คำนิยามคำว่าเจ้าพนัก ง, งานคือผู้ได้รับแต่งตั้งโดยทางการของรัฐไทยให้ปฏิบัติราชการ ของรัฐไทยเมื่อพหลบคณะสงฆ์บอกว่าเจ้าวาดเป็นเจ้าพนาักงานก็เหมือนกับเรามีอํานาจในฐานะปฏิบัติราชการของประเทศแต่มันเป็นงานของคณะสงฆ์เราไม่เรียกว่าข้าราชการเราเรียกพระสังฆาธิการสารธิการยังวิวนิจฉัยต่อไปองค์ประกอบของการเป็นเจ้าพนาักงานคือท่านเป็นเมื่อไหร่ 1. เมื่อท่านได้รับแต่งตั้งมีใบตราตั้งจเจ้าวัดสองเป็นการแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการก็คือมีหน้าที่จะพปเป็นเจ้าพนัก ง, งานในวัดของท่านแต่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าพนัก ง, งานเมื่อออกไปทำงานนอกวัดเขามีข้อสองว่าขอบเขตการเป็นเจ้าพนัก ง, งาน สั่งให้คนออกนอกวัดนี่ท่านสั่งในฐานะเจ้าพงงานักงางแต่ถ้าไปสั่งบอกนุษออกไปจากตบล น, นี้ท่านไม่ได้เป็นเจ้าคณะตำบลไม่ได้เป็นเจ้าพนัก ง, งานหน้าที่พระสังฆาธีการที่ผมได้กล่าวมา เ, เอาละถ้าขัดคาสั่งท่านสั่งให้เขาออกไปจากวัดเขาไม่ออก คัดคำสั่งผมไม่ได้ผัดคำสั่งเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับมีโทษนะครับติกคุกเจวันหรือปรับ5้าร้อยบาทและถ้าเราสั่งโดยไม่ชอบถ้าคำสั่งนั้นโดยไม่ชอบหรือทำหน้าที่โดยไม่ชอบมาตราหนึ่งห้าเจ็ดครับ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ ห, หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ mm. เพื่อให้เกิดความเสียหายหแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติ ห, หรือละเว้นการปฏิบัตหิหน้าที่โดยทุจริตติดคุกครับหนึ่งปีถึงสิบปีปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรานี้ท่านจำไว้ด้วยนะครับท่านเป็นเจ้าพนักงาน ถ้าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่มีโทษยกตัวอย่างครับท่านไปปลอมแปลงเอกสารเวลาเซ็นรับรองอะไรก็ตามมันทำให้ฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายหนึ่งแพ้เกิดความเสียหาย รับรองอะไรโดยที่ไม่ถูกต้องเราเป็นเจ้าวาดประทับตราด้วยถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดนวิชอบมีความผิดนะครับปกติเนี่ยถ้าเรายักยอกทรัพย์มีคนมาฝากเอาเงินมาฝากเราเรายักยอกไม่ได้ขโมยนะเขาเอาเงินมาฝากแล้วเราไม่คืนเขาเขาเรียกยักยอกติดคุกไม่เกินสามปีครับปรับไม่เกิน6ก0ันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าท่านเก็บรักษาเงินของวัดเจ้าวาดีมีหน้าที่เก็บรักษาเงินของวัดแล้วยักย่อมาเป็นของตัวเองเนี่ยไม่ได้ติดคุกไม่เกินสามปีนะครับเขาใช้อีกมาตราหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานยักยอ่อทรัพย์กฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดเป็นเจ้าพนักงานเก็บรักษาทรัพย์ ยักยอกมาเป็นของตัวเองจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่0 0ืนบาทตรงนี้ท่านก็ต้องจดเอาไว้ครับเรื่องคุมเงินเรื่องอะไรต่างระบบบัญชีที่วัดต่างๆมีปัญหาในเรื่องขึ้นสารอะไรต่างเนี่ยเขาเอามาตรานี้เล่นงานครับมาตราร้อยสี่สิบเจ็ด เอาเงินวัดเนี่ยไปซื้อที่ดินแล้วที่ดินนั้นเนี่ยถ้าเป็นของวัดมันขายไม่ได้มันจะต้องใช้พระราชบัญญัติเท่านั้นหรือราชกิจจานุิกาโอนถ่ายย้ายไปเลยก็เลยเอามาเป็นชื่อเราแล้วก็ลืมคืนให้วัดไปมันโดนมาตรานี้ครับร้อยสี่สิบเจ็ดนี่ยถ้าผิดเนี่ยติดคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีนะครับอันนั้นคือ ที่ผมพูดมานี่มันมีคุณและโทษเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยใครไม่ออกจากวัดเรามีสิทธิ์ไล่และถ้าเขาขัดขืนคำสั่งตำรวจจับขึ้นศาลบางวัดนะครับสู้กันถึงสามศาลเพราะลูกวัดหัวหมอไม่ยอมออกถือว่าสั่งโดยมิชอบขึ้นศาลฟ้องกันสามศาล ถ้าเจ้าว่าชนะก็ดีไปกว่าจะชนะเนี่ยสิปีท่านนั่งมองกระตาปิดๆอันนี้เป็นกฎหมายแต่พรังวินัยเนี่ยเอื้อให้เราให้ออกถ้าเขาผิดวินัยเป็นขรุกตาบัตรออกซึกเห็นไหมมันไวกว่าเรื่องนี้แต่จะผิดขลุกตาบัตรหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับดีไม่ ด, ดีท่านจะต้องไปเข้ากฎนิคากรรมอีก ไม่ได้จับฐานังขขเขาต้องนิคากรรมสอบสวนมีจดสอบสวนขึ้นสารสง่งอีกอันนั้นคือพระวินัยครับนิคากรรมแต่เราใช้จารีตครับทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้กฎนิคากรรมเราไม่ได้ใช้กฎหมายบ้านเมืองมีนะครับบางวัดนี่ไล่แล้วลูกวัดไม่ออกเนี่ยสู้กันจนถึงสารดีกาสิบปีครับ แล้วในสุดสารปรับลูกวัดห้าร้อยบาทอยู่กันต่ออีกเราใช้จารีตคืออะไรครับความเป็นครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้สวดเขาท่านเป็นอุปัชาเขามาอยู่กับวัดเราท่านเป็นอาจารย์สอนเขาเวลาเขาเกะกะเกเรเราบอกนิน่หมดออกเขาไม่มีคําถามครับเมื่อครูบาอาจารย์ให้ออกเจ้าว่าให้ออกไม่ต้องเป็นคดีความกัน เขาก็ย้ายวัดไปประเพณีปฏิบัติของวัดเราเป็นอย่างนี้ไม่จําเป็นก็อยากให้มันเป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองบางวัดนะครับลูกวัดจบด็อกเตอร์ครับเป็นเป็นหมอด้วยไปเขียนบทความว่าคนโน้นคนนี้พระผู้ใหญ่มอสอก็มาเตือนบอกว่มมาอยู่วัดท่านได้ยังไงไปเขียนเรื่องนูน้นเรื่องนี้โจมตีแม้กระทั่ง พระธรรมธราสังสอนของพรทธเจา้จาเจ้าว่าทำไงครับไปไล่ออกเหรอมันหัวหมอท่นจบดอกเตอร์ด้วยแล้วมาบวชอยู่เองอ่ปะปต่โยมอุปถาคท่านนั่นแหละให้มาอยู่นี่มาอยู่วัดนี้ท่านทำยังไงรู้ผมก็ถามว่าหลวงพ่อทำไงผมไม่เอ่ยชื่อวัดนะครับท่านก็บอกว่า ผมก็เรียกโยมเขามาก่อนโยมพ่อโยมแม่เขามาบอกนี่มันมีปัญหาในวัดอย่างเงี้ยลูกคุณโยมนี่อยู่ไม่ได้ให้ให้พ่อแม่เขารับรู้ก่อนเสร็จ แ, แล้วก็ประชุมผู้ช่วยเจ้าวัดเนื่องจากเป็นพระล้ำหลวงเนะี่ยมีผู้ช่วยว่าเจ้าวัดเกือบสิบรูปมีมติให้ออกเพราะพระซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวัดกับเจ้าวามีมติมันเป็นผู้แทนสงนะครับท่านผู้นั้นก็ยอมออกโดยดีอันนี้ก็คือ การแก้ปัญหาโดยจารีตโดยประเพณีละบุลละมอ่อกฎหมายมันแรงไปใช้เวลานานพระวินัยกฎนิพากรรมอีกบังทีจารีตก็ช่วยท่านก็ต้องเรียนรู้มันมีหลายวิธีลัฐศาสตร์นิติศาสตร์ทีนี้มาถึงเรื่องธรรมิบานทั้งหมดเนี่ยเราจะทำให้มันเป็นธรรมิบาลเนี่ย มันจะต้องเป็นการบริหารวัดไม่ใช่สะสมภาระเอาไว้ในวัดที่ผมเป็นเจ้าว่ามีพระเป็นพระรามหลวงชั้นโทรวรรวิหารวัดปิโรงสาวาสนะมีพระเนจรมาสารหนึ่งร้อรูปเป็นวัดใหญ่ขนาดวัดขนาดกลางในกรุงเทพเนี่ยผมไม่สามารถที่จะทำงานดูแลทั้งหมดได้ ก็ทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื่นคือบริหารวัดบริหารวัดอันนี้พูดตามหลักหลักแต่ถ้าของพุทธเจ้าเนี่ยผู้บริหารต้องเป็นผู้นำด้วยเพราะองค์เรียกว่าอาลังกาตุงทำเองก็ได้อลังสังวิทาตุง จัดการให้คนอื่นทำก็ได้บางเรื่องเราทำเองบางเรื่องใช้คนอื่นแต่แต่นะเจ้าอาวาสควรจะรู้กว้างๆทุกเรื่องทั้งปกครองศึกษาเผยแพ่จนศึงษาสนตุ ป, ประกาศาศาสนาสงเคราะห์บางรูปไม่มีหัวในการก่อสร้างเลยครับปล่อยให้คนอื่นมาคุมก่อสร้างหมดรูปวัดหรือผู้ช่วยคุมหมดอันตรายเหมือนกันนะครับ เกิดเราสร้างอะไรแล้วมันพังเนี่ยนะทับคนตายเนี่ยเจ้าวาดนะครับจำเลยที่หนึ่งเนี่ยแหละเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบปล่อยให้สร้างอะไรร็ลูกพังมาทับคนตายผมไม่มีทางนะครับที่จะปล่อยให้มาสร้างอะไรในวัดผมโดยที่ผมไม่ดูแบบโดยที่ผมไม่ตรวจสอบความปลอดภัย ไม่ว่าหน่วยราชการไหนอะไรต่างจะมาซ่อมอะไรต่างเนี่ยออกเงินให้นะครับหลายสิบล้านมาซ่อมให้แต่ผมขอตั้งพระในวัดเนี่ยเป็นคุมเงินเป็นของส่วนราชการแต่ว่าคุมซ่อมถูกต้องไหมแล้วเอาวิศวกรเอาสถาปนิกมาช่วยดูไม่ใช่ของเขาของเรานะครับ ซ่อมเจดีย์ของผมวัดไปยูในรางวัลยูเนสโกเนี่ยโดยวิธีนี้เป็นวัดเดียวนะครับในประเทศไทยที่ซ่อมแล้วได้รางวัลอันดับหนึ่งของยูเนสโกเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ากระบวนการของผมเนี่ยทำยังไงเพราะฉะนั้นทำเองก็ได้เจดีย์สูงหกสิบเมตรได้พระบรมสารีริกธาตุมา จะเอาไปไว้ที่ไหนเถียกก็อยู่นั่นแหละครับผู้ช่วยผมสิบห้ารูปตอนนั้นผมแบอบกปีนจะดีกันไปดูและจะรู้ว่าควรจะเอาไว้ตรงไหนไม่มีใครปีนนะครับจะาวาดปีนอยู่คนเดียวหกสิบเมตรท่านท่านออกไปกตูตินสมพันธพุทธเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูผมจะพูดเรื่องนี้อันนี้คือไม่มีใครปีนผมปีนเอง แต่นี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะท่านนะนั่งร้านนี่ตกลงมาว่างหลายตำแหน่งเลยลทำเองก็ได้ทำไมพระนางเลสวนชนช้างน่บักอั้งเนี่ยมันมันมันลำพานเหมือนกันนะท่านนะทำเองก็ได้อลังสังวิทาตรงจัดการให้คนอื่นทำก็ได้นั่นแหละบริหาร สรุปหน้าที่นักบริหารเนี่ยมีห้าอย่างท่านจะต้องไปศึกษาในการบริหารวัดของท่านหนึ่งท่านจะต้องวางแผนเป็นวางแผนให้คนอื่นทาเวลาท่านจะใช้คนอื่นเนี่ยท่านจะต้องวางแผนรายละเอียดของการวางแผนเนี่ยนะมันจะมีมากมายซึ่งท่านอาจจะไปเรียนเพิ่มเติมได้แต่อย่างน้อยคำว่าวางแผนเนี่ย อยู่ในหัวเราจะทำอะไรที่ไหนเมื่ อ, อไรอย่างไรถ้าท่านตอบได้แสดงว่าท่านมีวางแผนไหมปีนี้ท่านจะทำอะไรบ้างจัดงานวัดกี่ครั้งเปิดบาลีเปิดนักธรรมไหมท่านจะมีเทศมีอะไรไหมไม่ใช่ว่าทำแบบเส้นกระตุกใครมาบอกทีก็ทำทีไม่ใช่ต้องมีปฏิทินเลยล่วงหน้าเลยนี่เรียกว่าวางแผน วัดวัดใหญ่ๆเนี่ยเขาจะวางแผนล่วงหน้าเลยครับปีหนึ่งจะมีงานอะไรแล้วเอาใครมาช่วยทําวิสัยทัศน์คืออะไรวิสัยทัศน์คือมองไปข้างหน้าเห็นภาพเลยว่าถ้าเราทําแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าท่านจะสร้างอาคารขึ้นมาสักหลังหนึ่งท่านจะต้องมีภาพในใจว่าอาคารนั้นเป็นอย่างไรเขาเรียกวิสัยทัศน์ เอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ใช่ปล่อยให้สร้างกันมั่วๆแล้วมันเข้ากับแผนแม่บทของวัดไหมสังขาวาดควรจะอยู่ตรงไหนต้นไม้ควรจะมีกี่ต้นโบสถ์วิหารการปรเรีนเป็นยังไงเป็นระเบียบไหมแผนเหนี่ยวนี้เนะี่ยมันอยู่ในหัวเราเลยเราเรียกว่าวิสัยทัศน์คือมองภาพในอนานคต ไม่มีใครมาสร้างอะไรโดยที่เราไม่เป็นคนตัดสินใจจำให้เลยครับต่อให้มีเงินมาเราก็ต้องบอกโยมถ้าสร้างตรงนี้มันไม่เข้าแผนไม่บทมันจะไปบังตรงนี้ควรจะไปสร้างตรงน้นในเขตภาคผมเลยครับโบสถ์ุดลงมาอยู่ๆเนี่ยโบสถ์อยู่ดีๆเนี่ยซุดลงมาในภาคสองเนี่ยครับผมเป็นผมเป็นเจ้าหน้าภาคสองผมก็ถามว่าทำไมมันซุด ก็มาสร้างพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับติดกระโบนหางกระโบนนี่อกเดียวนะท่านตอกเสาเข็มตุ้มๆไปโบนก็กระพังสิครับเวลาเวลาจะสร้างไม่ได้คำนวณระยะห่างผลกระทบกันอย่างนี้นะครับมันก็เหมือนกับเราไม่ได้วางแผนไม่ได้ดูผลกระทบในอะไรต่างเดี๋ยวนี้นะครับ แม้แต่จะสร้างโรงงานเมื่อเร็ว เ, วเนี่เมื่อสองสามวันนี่ม็อบเขาเดินมาเดินขบวนต่อต้านการสร้างโรงงานไฟฟ้าฐานหินต้องทางรัฐบาลบอกว่าต้องไปศึกษาผลกระทบก่อนตอนนี้ถอยแล้วม็อบทั้งหลายไปดูผลกระทบเสียงแวดล้อมก่อนเรามาสร้างตรงนี้เนี่ยเราจะต้องตัดต้นไม้กี่ต้น อย่างนี้เป็นต้นนะครับในวัดของเราเ็าเรียกวิสัยทัศน์ครับวางแผนข้อสอข้อต่อมาครับจัดองค์กรกระจายอำนาจที่ว่าเราไม่ทำงานคนเดียวเนี่ยสายบังคับบัญชาตั้งแต่จเจ้าอาวาสมาเนี่ยจนไปถึงเนนน้อยเนี่ยสั่งการกันอย่างไรใครเป็นผู้ช่วยฝ่ายปกครองฝ่ายศึกษาฝ่ายเผยแพ่หรือฝ่ายอื่นในวัดผมผมเป็นจเจ้าอาวาสเนี่ยมีผู้มีผู้ช่วย เยอะก็จริงแต่ผู้ช่วยจะรวมกลุ่มกันกลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มปกครองมีเจ้าคณะสิบสามคณะกลุ่มที่สองเป็นฝ่ายศึกษามีโรงเรียนพุทธนาวาริตบาลีนักธรรมมีประธานเพียรอาจารย์ใหญ่เนี่ยนะครับกลุ่มที่สามเป็นฝ่ายเผยแผ่อบรมนักเทศทุกปีมายี่สิบกว่าปีครับในพันษาสามเดือ น, นผมไม่ต้องเหนื่อยมากเลยประธานฝ่ายเผยแผ่ดูแลไ้หมดจัดเผยแผ่ สาธารณูป ก, การเรื่องก่อสร้างเรื่องที่ผมก็ซ่อมเจดีย์อะไรต่างเนี่ยนะมันจะมีประธานฝ่ายนี้สาธารณสงเพราะที่วัดผมมีเมนครับคนศาลาไม่รู้กิจเป็นเป็นเนอ่อหลายหลังมากวัดมีงานศพทุกวัดมีคนงานมากประธานฝ่ายสาธานาสงเคราะ์จะดูแลมีผู้อำนวยการเมนมีพันตุเทศคนคอยนิมนต์พระมีระบบหมดเลย ซึ่งเขาทําไว้ก่อนผมเป็นเจ้าวาดผมก็รักษาระบบแล้วก็เพิ่มเติมบางตําแหน่งเข้าไปแต่จ่ายอํานาจไม่งั้นผมไปเป็นอธิการบดีไปเป็นเจ้าคณะปัเอาเวลาที่ไหนท่านข้อสามบุคลากรเรามีระบบเรามีตําแหน่งสังการต่างแล้วเอาใครเข้าไปอยู่ในตําแหน่งบางทีผมให้อํานาจ ของประธานของกรรมการฝ่ายฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เสนอแต่งตั้งคนนั้นคนนี้มาแต่ผมดูแล้วเออไม่คนนี้ไม่เหมาะนะผมก็มีอำนาจวีโต้คือไม่ตั้งให้เสนอคนหน่อยเรามีอำนาจไม่ยู่ไปตั้งตามหลับหูหลับตาเซ็นไปเรื่อยคนไหนทำงานแล้วมันไม่ได้เรื่องเป็นแล้เวเสนอพวกกันมาเราไม่เอาข้อสี่ครับ สั่งการกําหนดขั้นตอนเวลาจะจัดงานต้องมีการประชุมเจ้าวาดก็นั่งเป็นประธานเลยครับชี้แจงให้แต่และฝ่ายมาไม่ว่ากรรมการฝ่ายนั้นฝ่ายนี้จัดฝังลู่นิมิตอะไรต่างก็มีการประชุมปรึกษาหารือกันสุดท้ายครับควบคุมติดตามประเบินอนสั่งไปแล้วทำไหมมารายงานอย่าไปเกรงใจนะครับ สั่งแล้วสั่งเลยก็จะทําไม่ทาต้องเรียกมาถามให้ไปรายงานเจ้าคณะอําเภอไปหรืออย่างไปนี่หมดเจ้าหน้าจังหวัดบางทีเรานึกว่าเขานี่หมดแล้วหนังสือยังไม่ถึงเลยโทษใครไม่ได้นะครับถ้าถึงเวลาจัดงานแล้วไม่มีคนมาไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเมื่อกี้ยังมีรูปนึงมาถามผมว่าที่นี่บนผมเนี่ยไปเทศให้หรือเปล่าเออผมก็นึกได้ว่าจะแจ้งแต่ว่าลูกน้องผมไม่ได้แจ้งผมก็เลยปฏิเสธ ไ, ไปเมื่อกี้เนี่ย ท่านยัอได้เป็นนิมนต์ูกใหม่ไงเขาเรียกว่าข้อห้าครับควบคุมติดตามแล้วก็ประเมินไอ้ที่เราทำไปเนี่ยมันคุ้มมั้ยคุ้มขีช้างจับตกกะกแตรหรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็มาวางแผนใหม่ในปีหน้าวนอยู่อย่างนี้อย่าทำอะไรโดยที่ไม่มีระบบอย่างที่ว่าถ้าท่านไม่วางแผนแล้วคนอื่นเขาจะรู้ได้ไงว่าท่านจะทำอะไร บางทีนะครับผมมาเป็นเจ้าวาัดเนี่ยวัดผมเนี่ยไม่มีภาพกิจกรรมฝาผนังโบสถ์นะที่วัดประยุรวงศสาวาสเนี่ยมีเฉพาะด้านหลังพระประธานด้านหลังพระประธานเท่านั้นเน่ยด้านซ้ายด้านขวาพระประธานา น, นั้นน่ะขาววอกเลยเพราะตอนสงครามโลกครั้งที่สองระเบิดมาลงสถานพุทมันไม่ลงเลยก็มาลงหน้าวัดประยูรทีหลังทามมันก็กระเดิดขึ้น น้ำก็ไหลพระ ก, ก็หนีระเบิดใช่ไหมไม่มีใครเฝ้าน้ําไหลลงลางภาพกิจกรรมฝาผนังหมดเลยขาวหมดเลยครับเหลืออยู่ด้านหลังพระประธานผมเป็นเจ้าวาัดใหม่ใหม่เลยนะครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วผมก็ประกาศขึ้นธรรมาเทศน์โบสถ์เรานี่ขาวมานานแล้วสี่สิห้าสิบปีตั้งแต่สงครามโลกมาอยากจะมีภาพกิจกรรมฝาผนังผมก็เทศก็ปลุกระดมไปเลยนะครับเครียรวิสัยทัศน์ขายไอเดีย แล้วคนก็มาบอกว่าถึงทำ ม, มันก็อยู่ไม่ได้เพราะอะไรวัดมันอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยายความชื้นมันขึ้นมาถ้ามันจะพองหลุดลุ่ยครับเหมือนหลายๆวัดเนี่ยนะครับในเขตเนี้ยเป็นอย่างนั้นหมดถึงวัดมาภ้าเจดกรรมฝาผนังก็เสียหายในเวลาไม่ถึงห้าปีผมไปดูหลายๆวัดเสียดายมากปรากฏว่าผมเทศผมพูดมาเรื่อยๆจงกรทฮักในที่สุด มาได้กรมศิลปากรเนี่ยนะครับมาทําให้มาวาดภาพอย่างดีเลยผมก็บอกว่าแต่ไม่ใช่ของกรมศิลป์นะครับสานักงานศัพท์ศิลป์ส่วนพระมอากษัตรย์มาทำให้ผมก็บอกว่ า, ะะงงาสสวาดภ า, า, าพอย่งอ า, า, ายงเดียวไม่ได้ตอนแรกเขาจะมาวาดภาพก่อนโบแล้วเนี่ยมันมีความชื้นวาดภาพไปแล้วเนี่ยภาพมันจะหลุดร่วงหมดเลยช่วยซ่ําโบดให้ก่อนดีไหมเออ จะเอาเชือกแต่มีควายตามมาด้วยนะครับเขาจะมาตอนแรกเนี่ยเขาจะมาทําภาพเจจกรรมผาผนังไอ้ที่ผมพูดพูดมาเนี่ยจะมาวาดให้แต่วาดแล้วมันก็อยู่ไม่ได้เอาอย่างนี้หางบประมาณมาซ่อมโบสถ์ให้ก่อนซ่อมชนิดที่ว่าฟังชื้นขึ้นไม่ได้เขาทําได้จริงนะครับวิทยาการสมัยนี้สมัยก่อนทําไม่ได้เขาตัดทั้งหลังเลยทั้งโบสถ์เนี่ยตัดอย่างนั้นตัดเต้าหู้นะครับ แล้วเอาซีเมนต์กาวเนี่ยเข้าไปสอดแทนแทนแทนทั้งหลังทั้งเสาทั้งอะไรต่างนําไม่ขึ้นเลยวัดใหญ่ๆมาถามผมเนี่ยทำยังไงเนี่ยความชื้นมันขึ้นจะถึงพระประธานผมบอกที่วัดผมแก้ได้แล้วตัดมาเลยตัดทั้งหลังเลยตัดยังไงท่านท่านไปดูได้เลยที่โบสถ์วัดไปอยู่ตอนนี้วาดภาพจิตรกรรมเกือบเสร็จละ 80, แปสเก้าสิบ0ปอร์เ็ แต่ผมพูดตั้งแต่วันแรกเลยครับที่เป็นเจ้าว่ากว่าสิบสิบสองปีนะครับพึ่งจะฝันเป็นจริงพูดมาทุกปีจนคนผนไม่ได้นะครับเพราะผมเป็นนักเทศน์นักพูดเองเทศกโยมพูดไปเรื่อยให้คนฝันบางทีบางเรื่องนะพูดไปแล้วคนไม่เห็นด้วยผมก็ถอยเลยครับเขาเรียกขว้างหินถามถามอยากจะทำ อะไรที่ผมทำไม่ได้คืออะไรรู้ไหมผมเป็นเจ้าวาดใหม่เนี่ยศุนักเต็มวัดเลยท่านคนใจบุญนะครับเอามาถวายไว้ไอตัวสวยๆมันก็ไปเอามาเอามาพกขี้เลื้อดเนี่ยท่านเวลาคนมามาเผางานศพเลยโอ้ยเหยียบกลับระเบิดเหยียบกลับระเบิดผมก็ได้ลูกสิทธิ์นะครับ มาบวชจากโรงแรมหนึ่งเขามีเงินเขามีซักย์เขาบอกบอกกับเขาเลยบอกว่าสร้างโรงขังมาไดไ้เอาไว้ที่หนึ่งเหมือนกับพุทธมณฑลเนี่ยแต่ว่าในวัดนี่แหละแล้วก็เลี้ยงมันใครมาก็ไปใสไป่ไว้นั้นเนี่ยคับได้คับได้ครับเตรียมจะบริจาคเนี่ยปรากฏว่าผู้ช่วยจเจ้าอาวาสค้านทั้งวัดเลยทันเพราะทุกคณะเพราะทุกลูกเลี้ยงหมาหมดเลยไม่มีใครไม่เลี้ยงหมานะพระนะนะนะตัวดีเลยแล้วก็ปล่อยมัา ออกมาข้างนอกผมถอยนะผมไม่ทำแต่ทำวัดให้สวยงามครับพอวัดสวยงามนี่มันหายไปเองท่านสุนัขมันหายไปเองมันไม่ออกมาแล้วเลยเพราะว่าที่มันสวยวัดมันสวยท่านไปดูรอเป็นสิบปีกว่าจะสาเร็จนะครับถอยไม่ใช่ว่าเรามีอำนาจล้วก็จะสั่งสังสังไม่ใช่บางเรื่อง เราคิดแต่ทำไม่ได้ควางหินถามทางก่อนประกาศว่าจะทำแต่เขาไม่เอาเราก็ไม่ทําแล้วก็เมื่อวางแผนจัดองค์กรทําอะไรต่างๆไปเรื่อยๆนะครับท่านก็ดูก่อนว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับไหนผมพูดเผื่อไว้นะครับต่อไปจะได้เป็นหรือบางรูปอาจจะเตรียมเป็นเจ้าหนสาทบเจ้าหน้าอําเภอเนี่ย อะไรคือความแตกต่างระหว่างเจ้าอาวาสเจ้าหนัตำบนเจ้าหน้าอำเภอจานาจังหวัดพูดเผื่อไว้ครับถ้าท่านเป็นเจ้าอาวาส <barr ack> เขาเรียกผู้บริหารระดับต้นเป็นเจ้าอาวาสวัดราชพระอารามหลวงเป็นผู้คุมคนปฏิบัติงานอีกทีหนึคนปฏิบัติง า, งานคือพระในวัดเราเราเป็นผู้คุมเป็นอธิการเป็นเจ้าอาวาสเราเป็นผู้บริหารระดับต้น แต่ถ้าท่านขึ้นเป็นเจ้าหน้าทบมนเจ้าคณะอำเภอท่านไม่ใช่ไปคุมผู้ปฏิบัติการในวัดท่านไม่ได้ไปคุมพระในวัดท่านคุมเจ้าวาดในตำบลคุมเจ้าวาดชุมชนในตำบลในอำเภอหรือท่านเป็นผู้บริหารระดับกลางระดับกลางทำหน้าที่อะไรประสานงานครับผู้บริหารระดับกลางมีหน้าที่ประสานงานผู้บริหารระดับต้นมีหน้าที่ทํางานเองและสั่งให้คนทางานส่วนผู้บริหารระดับกลางนี่ เป็นผู้ประสาน ร, ระหว่างชั้นเบื้องบนเจ้นจังหวัดไปถึงวัดเราเป็นเหมือนกับไพรสน์นีและเป็นผู้ที่ไปช่วยแก้ปัญหาเป็นพี่เลี้ยงไปให้คําแนะนำเพราะฉะนั้นท่านต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับในกฎมสเขาบอกว่าหน้าที่ของเจ้าหน้าทบคือนอกจากตรวจงานตรว จ, รวจไอตรวจงานแนละเป็นผู้ตรวจราชาการคณะสงฆ์แล้วเนี่ยว่าอะไรดีไม่ดีแล้วเนี่ย มันจะมีกดข้อหนึ่งครับช่วยแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาสเราเป็นเจ้าอาวาสเราต้องรู้ว่าเราเราจะต้องถ้าเรื่องนี้เราติดขัดเราทำไม่ได้ขอเจ้ากณตำบลช่วยขอเจ้าคณะอำเภอช่วยเจ้าคณะอำเภอเพอถ้าช่วยได้ก็ช่วยเองช่วยไม่ได้รายงานเจ้าคณะจังหวัดให้เจ้าคณะจังหวัดช่วยบางวัดเนี่ยนะครับมาเฟียเต็มวัดเลยครับ ท่านเข้าไปเนี่ยเป็นเจ้าวาดไม่เนี่ยนะครับเจ้าที่เจ้าทางยกงยะหมดไปแตะตรงนู้นก็มีเจ้าที่แตะตรงนั้นก็มีปัญหาแล้วก็อิทธิพล ร, ระดับไหนล่ะครับโอบางทีมีตำรวจถือหางมีนักการเมืองถือหางอีกพระรูปนั้นในวัดเนี่ยนะครับบริหารไม่ได้เจ้าคณะบอกเจ้าคณะตะบนเจ้าคณะตะบนบอกโอ้ผมก็อยากเอาตัวไม่รอดเลย บางแห่ง น, นะครับรายงานมาจนถึงเจ้าคณะภาคครับผมเป็นเจ้าคณะภาคผมต้องลงไปไประชุมนะครับเจ้าคณะใหญ่สั่งผมไปสมัยวันชนะเน่ยเรื่องนี้มันใหญ่มากแตกแยกกันระหว่างโรงเรียนวัดอบโต อ, อะไรก็ไม่รู้ร้องเรียนมาที่เจ้าคณะใหญ่ตลอดเจ้าคณะใหญ่เรียกเจ้าคณะภาคไปผมลงไปนั่งประชุมเจ้าคณะจังหวัดเจ้นอำเภอหาทางแก้ไขในเรื่องของคณะสงฆ์ เสร็จแล้วมันมีปัญหาผู้ในการโรงเรียนกับตัวปัญหาอีกผมก็บอกอธิบดีพอดีอธิบดีก็รู้จักกันในในส่วนต่างอธิบดีก็ไปจัดการให้กับโรงเรียนมันก็สงบเลยครับผู้ว่าก็มาดูทางฝ่ายกรรนันฝ่ายอบตคณะสงฆ์ก็ไปดูเรื่องคณะสงฆ์เพราะสามประสานนี่มันจบครับถ้าเจ้าวาดไม่ร้องขอความร่วมมือนะเก็บปัญหาไว้คนเดียว นั่งทับอยู่นะครับบางวัดนะครับแค่ลูกน้องคนเดียวนะครับไปสร้างปัญหาลูกน้องหมายถึงเจ้าวาดเนี่ยนะครับให้ลูกน้องไปทำไปดูแลไปสร้างความแตกแยกขึ้นในน้อยใจลูกน้องเองเจ้าวาดผูกคอตายครับเป็นเจ้าคุณด้วยนะครับผมเรเสียดายจังเลยมารู้ทีหลังทำไมไม่บอกกันก่อนแต่ไม่ใช่ในเขตผมนะครับแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับมหาจุฬา ผมก็เลยไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นผิดหวังลูกน้องอ่ะแล้วไปผูกคอตายลูกน้องก็ดีใจสิครับ อ, อย่างนี้ก็มีเน่ะแล้วตายไปแล้วด้วยทําไงมาบอกกันสักคำเนี่ยมันจะได้ไปช่วยกันผมมันใช่เรื่องสําหรับระดับผู้ใหญ่มันไม่ใช่เรื่องยากนะครับในระดับจากคณะภาคจากคณะใหญ่เนี่ยมันมีบรารมีท่านผมพูดไว้ก่อนติดขาดตรงไหนบอกท่าน เราก็จะได้ช่วยกันแล้วเพราะในกฎมสเขาบอกไว้ท่านท่านไปอ่านนะเจ้าคณะมีหน้าที่แก้ไขข้อขัดข้ อ, ของของต้นสังกัดไอท้ที่ที่อยู่ในสังกัดผมเป็นเจ้าหน้าภาคผมจะบอกเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจะบทเนี่ยในภาคผมก็มาเนี่ยมาอยู่นี่มีอะไรก็ไม่ใช่รอแต่ฟังรายงานลงไปตรวจดูเขามีปัญหาแก้เองไม่ได้ไปช่วยกันถ้าแก้ไม่ได้บอกเจ้าหน้าภาค เป็นอย่างนี้ครับเราก็ดําเนินการไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นในจังหวัดแต่ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยคือจังหวัดเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกับพวกท่านแต่ถ้าถ้าสูงขึ้นมาอีกเจ้าหน้าภาคในระดับจังหวัดก็เป็นระดับต่างต้องรายงานขึ้นมามันก็จะเป็นอะไรอย่างนี้จนถึงมศมหาสมุทรสมคมถือว่าสูงสุดครับในประเด็นเหล่านี้นะครับเอาละครับมาถึงเรื่อง ที่ท่านเป็นจเจ้าอาวาสใหม่ผมตั้งคำถามไว้ตั้งแต่ต้นท่านจะทำงานอะไรก่อนในหกด้านอครองจนถึงสาธณสงเราะห์ผมว่าแต่ละท่านเนี่ยมีวิสัยท่านมีความคิดความฝันนะครับอยากทำโน่นทานี่อยากฝาก ฝ, ากฝีไมไ้ลายมืออยากทำงานฝากไว้ในแผ่นดินในหมู่บ้านของเราเพราะว่าเราก็อยากจะบูชาพระาศาสนาครูบาอาจารย์เราแต่ถามว่าทำไมบางท่านเนี่ย ฝันแล้วกลายเป็นอะไรครับไฟมอดไปหมดไม่ๆนี่ไฟแรงอยู่ไปอยู่มานะครับไม่ทาอะไรเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะท่านไม่ได้วิเคราะห์สถานการณ์ก่อนการที่ท่านจะทำอะไรท่านจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์วิเคราะห์สี่เรื่องครับ งานปกด้านเนะี่ยตั้งแต่ปกครองไปจนถึงสาธารณาสุมบัติท่านจะจับทําอะไรเนี่ยวิเคราะห์หนึ่งอะไรคือจุดเด่นของท่านอะไรคือจุดด้อยของท่านอะไรคือโอกาสอะไรคืออุปสรรคไล่ไปแต่ละด้านนะครับแต่ละเรื่องเช่นสมมตินะท่านจะเปิด สอนบาลีอ่ามีสานักเรียนบาลีอ๋อให้เป็นใหญ่เลยในตำบลของท่านหรือในอำเภอเลยแหะจุดเด่นท่านนี้จุดเด่ น, นดเลยจุดเด่นของท่านถ้าท่านจะเปิดบาลีนะครับจะดีกับท่านมากเลยถ้าท่านเป็นมหาปริญญารีบป ร, ริญญาสูงๆนะท่านป ร, ริญญาเอกปริญญาเจ็ดแปดเก้าเนี่ย เพราะอะไรถึงเรียว่าเป็นจุดเด่นเพราะท่านมีความพร้อมในเรื่องนี้หาครูสอนไม่ได้ท่านสอนเองไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจเออเนี่ยท่านมีจุดเด่นแต่ท่านเป็นป ร, รีญญสูงป ร, เริเอกป ร, รีญญเอกแต่ท่านอยากจะเปิดท่านจะลุยงานเผยแผ่จัดอบรมจัดเทศ จัดโน่นจัดนี่ถามว่าท่านเทศเป็นป่ะเทศไม่เป็นแต่รักจะเผยแผ่อยากจะเทศอบรมศิลธรรมประชาชนอบรมนักเรียนกลายเป็นว่าท่านมีจุดด้อยนะครับเทศไม่เป็นท่านคาว่าจุดเด่นคือความพร้อมท่านพร้อมไหมจุดด้อยคือความไม่พร้อมในเรื่องที่ท่านจะทา ถ้าท่านจะทำเรื่องก่อสร้างจะทำวัดให้มันสวยงามออกแบบถามว่าท่านมีจุดเด่นในเรื่องนี้คืออะไรหลวงพ่อพระอุบาลีคุณอุปมาจารย์ครับวัดเล็กขิงเล่าให้ผมฟังท่านเขียนหนังสืออกสมพานอ่ะโอ้อกสมภาน่ะเราไปอ่อยาดูท่านบอกว่าไปวัดเล็กขิงเนี่ยมันมีจุดเด่นหลายเรื่อง มีความพร้อมหลายเรื่องตอนที่ท่านไปนเป็นเจ้าวาดตอนนั้นท่านเป็นพระครูเงินก็พร้อมมีเงินพร้อมมีอะไรพร้อมหมดท่านก็มีจุดเด่นของท่านคือท่านเป็นเรื่องของการออกแบบเรียนมาบ้างครูพักรับจับแล้วท่านมีคัมภีร์ไปเล่มเดียวนั้นสือเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบนี่แหละเกี่ยวกับช่างนี่แหละ ตอนที่ท่านไปอยู่วัดไรขิงท่านใช้อันนั้นแหละครับสร้างวัดไรขิงอย่างที่เห็นทุกวันเนี่ยเอาจุดเด่นเป็นตัวลุยเริ่มงานก่อนแล้วสมมติถท่านอย่างหลวงพ่อไร่ขิงท่านเอาเผยแผ่ก่อนพอทำอะไรอกสารนุประการอาสารนุประการก่อนพอพร้อมแซวการศึ่อสามันก็ตามมามีตัวนำก่อน เอาเรื่องที่ตัวเองถนัดที่เด่นก่อนเป็นตัวเริ่มแล้วก็เอางานดือนเนี่ยตามมายัางผมเป็นเจ้าวาดวัดประยูนนะครับอะไรคือจุดเด่นของตัวผมของวัดวัดประยูนเป็นวัดนักเทศนะครับมีพระท่านยากรุณเทพปฏิพานากวีใครจะใครที่มาอบรมเรื่องกัรท่านามาจากวัดผมเนี่ยเป็นวัดนักเทศอบรมนักเทศ เพราะฉะนั้นจุดอยู่ตรงที่เรามีจุดเด่นคือวัดนักเทศวัดนักเผยแผ่เอาตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มหนและเป็นตัวเดินเรื่องพอมีจุดเด่นตรงนี้นะครับเราก็มาดูโอกาสเรามีโอกาสไหมเรามีอุปสรรคไหมแต่ละเรื่องไปยกตัวอย่าง ในเรื่องออในเรื่องของคือวัดที่ผมอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นวัดนักเทศนะครับท่านจะออกเทศกันเยอะวัดโซมเจดี J D, เอียงจะพังแหละไม่พังแหละสูงหกสิบเมตรนะครับเจดี J D. เอียงกระเทศเล่เลยถ้าเจดีพังในยุค ก, ก, ก่อนผมก็สบายดีครับกลัวจะมาพังตอนผมปิเจ้าว่าได้เลย เ, เพราะฉะนั้น มันก็มีความจำเป็นที่จะต้องซ่อมเจดีย์โดยด่วนก่อนที่มันจะพังเพราะเราทำโปรเจกต์ขึ้นมาเนี่ยนะครับโครงการก็จะซ่อมขึ้นมาเนี่ยมันจาเป็นเพราะว่ามันจะพังเนี่ยถามว่าผมมีอะไรเป็นจุดเด่นเงินก็ไม่มีนะั่วัดไม่มีเงินถ้ามีเงินจนะซ่อมมานานแล้ว ร้อยแปดสิบปีตอนนั้นเนี่ยรุ่นก่นกอนๆก็ปล่อยให้มันเอียงอยู่อย่างนั้นเน่ยอย่างมากก็แค่ฐาสีล้านบาทแต่ถ้าซ่อมนะครับสี่สิบล้านตอนนั้นเงินไม่มีมันมีจุดด้อ ย, ยครับแล้วถามว่าผมมีจุดเด่นอะไรที่จะไปอ่านหารไปทำการใหญ่ <c oughs> เพื่อนมาเตือน อย่าไปซ่อมเจดีย์เลยมันใหญ่มันทํำไมงั้นเจ้าวาดอื่นๆทามาแล้วท่านเพิ่งไปเจ้าวาดไปทํางานเล็กๆเถอะผมบอกไม่ได้เจดีย์พังมันคือพังหมดทุกอย่างเพราะคนเห็นนกุฏิพังยังคนยังไม่เคยเห็นนลยท่านเจดีย์ขาวหกสิบเมตรอยู่อหายไปเนี่ยทับเจ้าวาดเลยนะครับเจ้าวาดก็อยู่ไม่ได้อันนี้มันเป็นกดอันหนึ่งเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่า ผมจะต้องซ่อมเจดียไม่ให้มันพังเขาบอกทำไมไม่รอเอารอแล้วมันพังมั น, ม, น, ม, นมันไม่ไม่ทันการจุดเด่นผมคืออะไรท่านผมเป็นนักเทศน์นักเผยแผ่และดมทุนได้จุดเด่นผมคืออะไรยันผมสร้างมหาจุฬาที่วังน้อยเป็นพันล้านสร้างมาแล้วงานแค่นี้เล็กสำหรับผมอเห็นไหมครับคนอื่นภายนอกอาจจะไม่นึก แต่จริงๆเนี่ยท่านไปดูมหาจุฬาวังน้อยเลยปีหนึ่งมหาจุฬาใช้เงินเท่าไหรค่ครับที่ผมเซ็นผ่านเนี่ย ส, สตงมาตรวจสี่พัน 4, ล้า น, ท, นทุกปีเนี่ยสามพันถึงสี่พันล้านสร้างบทไปหลายพันล้านเลยวรับสามร้อยหัวไร่เ่ตรงนั้นเนี่ยขอไปชุมจุมพระได้สามพันลูกเพราะฉะนั้นผมมีประสบการณ์จุดเด่นจุดด้อยคือไม่มีสตง แต่เจดเดตเราเราสามารถพูดด้อะไรได้เราเทศโอกาสคำว่าโอกาสหมายถึงว่ามีใครมาสนับสนุนไหมที่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยนอกวัดเนี่ยมีโยมมาสนับสนุนบางแห่งบางที่นะครับทําไมผมสร้างมหาจุฬาผมเป็นอธิการบดีแล้วอยู่วัดมหาธาตุมันเล็กครับโอกาสมา ถ, ถึงครับ คุณโยมคุณหญิงสมปองกับคุณหมอรศนีตตอนนั้นยังไม่ได้เป็นคุณหญิงเนี่ยเอาที่ดินมาบริจาคให้เราตรงนั้น84ไร่บอกว่าถ้าท่านจัดสร้างมหาวิทยารัยเราจะถวายถ้าท่านไม่สร้างก็ไม่ถวายแต่มีข้อแม้ว่าท่านต้องสร้างนะท่านเก็บไว่ใช่เจอนั้นยู่ๆโอกาสมาถึง น, นแต่ถามว่ามีสตังไม์มไม่มีเลยสักบาทเดียว มันเป็นยุค IMF กครับเขาจะตัดสินใจยังไงถ้าไม่สร้างเขาก็ไม่ถวายถ้ารับปากว่าจะสร้างเราจะเอาเงินมาจากไหนมันจะต้องถามว่าอะไรคือจุดเด่นจุดด้อยโอกาสอุปสรรคอุปสรรคในการก่อสร้างคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสรุปแล้วเราวิเคราะห์เสร็จนะครับมาเป็นอย่างนี้ครับท่านเราปรับตาม สถานการา์ให้ท่านปรับนะครับพอท่านวิเคราะห์เมื่อกี้ผมวิเคราะห์อย่างที่ผมว่าเนี่ยหนึ่งถ้าท่านอยู่ในวัดของท่านท่านจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเรื่องศึกษาเผยแผ่สันตุประการสาระสําคัญถ้าท่านมีจุดเด่นมีความพร้อมมีโอกาสให้รีบทําครับอย่าไปผัดผ่อน คำว่าจุดเด่นคืออะไรคือวัดท่านมีที่ดินมีความพร้อมมีการออกแบบแล้วมีเจ้าภาพจะบริจาคให้สร้างเจ้าภาพก็พร้อมแล้วทําไมท่านไม่สร้างผมเจ้าภาพเนี่ยนะครับยินดีตอนที่เจดีผมได้รางวัลยูเนสโกมีเจ้าภาพคนนึงเอาเงินมาให้สิบล้านจะเอาเงินให้สิบล้าน สำหรับไปซ่อมอาคารหลังหนึ่งสาวัตรกันแล้วกันผมก็โอกาสมีนะครับปรากฏว่าหาช่างไม่ได้ท่านช่างบอกว่าต้องเอาสิบห้าล้านสิบล้านขอไม่ใส่โม่แต่หาช่างคนนี้พอได้มาสักแล้วเออถอยไปอีก เพราะว่าสารามันมันสองหลังผมบอกให้รวมเป็นหลังเดียวต่อหลังคาเข้าด้วยกันพื้นก็ให้มันเชื่อมกันมันจะใหญ่ขึ้นทันทีประโยชน์ใช้สอยมาแมา้ถ้าซ่อมคนละหลังแล้วไม่เชื่อมคืออย่างนี้ครับโบราณท่านสร้างสางลาไวแค่นี้แล้วถ้าก็มาสร้างต่อมันไม่เชื่อ ม, มก็ไม่เป็นหลังเดียวประโยชน์ใช้สอยมันน้อยถ้าอยากซ่อมผมขอเชื่อมช่างก็บอกว่าเราไม่มีแบบมันจะแบบได้เง น, นมันตั้งสี่สิบห้าสิบปีแบบของเดิมเนี่ย ฐานลากเท่าไรอะไรอย่างไรเดี๋ยวสร้างไปแล้วมันสุดมูสจะเกี่ยกันไปเกี่ยกันมาครับผ่านไปสองสมปีเจ้าภาพบอกเอาเงินไปสร้างที่อื่นแล้วทน่นไอ้สิบล้านหายวับไปกับตาเลยทัานมาบอกผมอย่างนี้มาบอกตอนไหนตอนเราได้ช่างแล้วทน่นฝ่ายก่อสร้างผมโม่แต่ไปหาช่างไปออกแบบอยู่สามปีนะท่โอกาสหลุดลอย ผมเลยต้องต่อรองเจ้าภาพว่าขอห้าล้านก็พอแล้วที่เหลืออีกสิบล้านผมไปหาเองผมต้องไปผมต้องไปหาเองอีกสิบล้านครับคือขึ้นพอเลยตอนนี้เสร็จแล้วครับสาลาหลังยาวเลยทีนี้โอกาสมาน้ำขึ้นให้รีบตักแต่ลูกน้องยังมัวชักช้าอยู่หายวับไปเลยเพราะฉะนั้นจุดเด่นโอกาสถ้ามาถึงนะครับท่านทา อ่ะสมมุตินะเขาจะมาเปิดสำนักเรียนในวัดท่านเนี่ยมาเป็นอาสาสมัครมาสอนบาลีสอนนักธรรมพระเนนก็มีแล้วนะมีความพร้อมเงินทองก็มีแล้วอะไรก็มีแล้วมีคนมาอาสาสมัครอีกแล้วทำไมไม่ทําผมถามถ้ามันไม่มีสิหรือมีแล้วมันเป็นข้อ ที่ไม่พร้อมก็อีกเรื่องหนึ่งท่านมีเคราะอย่างนี้นะครับหนึ่งเรื่องที่อยู่ในวัดของท่านเนี่ยเรื่องใดที่มันเข้ากับกฎแปดสิบยี่สิบให้คิดถักมันเป็นกฎทางเศรษฐศาสตร์ของนักเศรษฐศาสตร์อิตาลีชื่อปาริโต้ครับเขาบอกว่า คนในทุกประเทศในโลกนี้เนี่ยยี่สิบเปอร์ซ็นเป็นเจ้าของทรัพย์สินแปดสิบปอร์ซคนอีกแปดสิบเปอร์ซ็นตเป็นเจ้าของทรัพย์สินแค่ยี่สิบมันกลับหัวกลับหางกันแล้วมันก็จริงมาเป็นร้อยร้อยปีครับประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้คนรวยก็เป็นไม่กี่คนล่ะครับเป็นเจ้าของทรัพย์สินแปดสิบปอร์ซ็ของประเทศไทยคนอีกแปดสิบเปอร์ซ็นเป็นเจ้าของยี่สิบแต่ทีนี้เนี่ยนะครับ มันเกิดกฎ8ปดสิบยี่สิบในการทำงานงานบางอย่างเราทำสมมติอย่างนี้นะครับเรามีผลงานร้อยเรื่องที่เราทำมาเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยท่านเคยทำอะไรบ้างร้อยเรื่องเลยปาหัวในร้อยเรื่องเนี่ยยี่สิบเปอร์ซนก็คือยี่สิบเรื่องให้ผลที่ดีงามแก่ชีวิตของท่านเป็นความสำเร็จแปดสิบเอร์เซนในวันนี้ ส่วนงานที่ถ้าทำอีก80บเรื่องให้ผลแค่ 20% อร์ซในวันนี้มันกลับหัวกลับหางกันเหมือนกับถวายทำบุญกับพระเจ้าแค่ตัดบาทพักพีเดียวเนี่ยของบุญที่เราทำแต่ได้ผล 80% ไปทำบุญกับใครก็ไม่รู้เยอะแยะหมดแต่ได้บุญแค่20ทสิบทำีกป0ได้2ี่บมันแบบเดียวกัน ทีนี้ท่านดูครับในวัดของท่านเนี่ยถ้าท่านจับทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นงานแค่ย0สิเอร์ซนที่เราควรจะทำามันย0สอร์ของงานทางวัดแต่ถ้าทำสำเร็จมันจะได้ผลแปดสิบอร์เซนตก็คือทั้งเข้าตากรรมการผู้ใหญ่ก็เห็นคนก็จะมาสนับสนุนเราเนี่ยท่านทำแต่ถ้าท่านทำเป็นเบี้ยหัวแตก วิ่งทำเรื่องนี้เรื่องพูดเรื่องนี้เรื่องนัง่แต่มันได้ผลแ0หสิบเอร์ซ็นอถ้าได้ผลแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นลดไปบ้างก็ได้ผมเป็นนักเทศน์นักพูดนะครับผมใช้หลักนี้ครับคนที่หมดมาเยอะสมมติว่าสิบงา น, นผมควรจะไปงานไหนงานที่ผมไปอาจจะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นในในใ น, ในที่นิมดมา แต่มันมีความหมาย 80% สเอร์ซผลทำถ้าผมไปนั่งพูดพูดพูดเยอะแยะหมดเทียบกับไปออกทีวีครั้งเดียวมไม่ได้นะครับรายการทีวีพูดไปหนึ่งครั้งอาจจะไม่ได้สตางค์พูดฟรีแต่เขาไม่คิดตังเราผมต้องไปพูดเพราะมันลดความเหนื่อยผมในการที่จะต้องไปพูดด้คนทั่วประเทศ ยี่สิบอร์เซ็ตของความเหนื่อยเนี่ยแต่มันได้ผลเกินคุ้มแปดสิบเปอร์เซพระพุทธเจ้าก็ทำครับมีคนถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าถึงเลือกเทศทําไมไม่เทศใครมาก็เทศทำไมก็รู้อไปเทศคนนั้นทําไมต้องรองนั่งทางในให้คนจะบรรลุแล้วเข้ามาในขายคือพยานอยู่ทางไหนแล้วก็จะไปทางนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะบรรลุพระพุทธเจ้าไม่ไปนะครับ ไปเทศแล้วไม่บรรลุไม่ไปเพราะเวลาพระองค์มีน้อยฉะนั้นคนไหนจะบรรลุพระองค์จะไปมีคนถามว่าทําไมทําอย่างนั้นทําไมไม่เทศมันทุกคนเลยพระเจ้ายกตัวอยา่างครับสมมุติว่าคุณมีนาอยู่สามแปลงแปลงที่หนึ่งดินดีน้ําดีปลูกแล้วได้ผลร้อยเปอร์ซนแปลงที่สองดีบ้างไม่ดีบ้างได้ผลห้าสิบอร์ แปลงที่สามได้ผลแค่สิบเปอร์เซ็นตแล้วคุณคุณมีพันข้าวอยู่จำกัดที่จะต้องหว่านที่จะต้องปลูกถามว่าจะไปปลูกแปลงไหนก่อนตอบว่าท่านจะต้องไปปลูกแปลงที่หนึ่งที่ได้ผล100ร้อยเปอร์เซ็นปลูกปุ๊บแล้วมันได้ผลร้อยเปอเซ็นเอาข้าวที่ได้มาปลูกในแปลงที่สอง มันจะเหลือแค่สิบก็ไม่ไรค่อยไปปลูกแปลงที่สามแต่ถ้าท่านไปปลูกในแปลงที่สามก่อนได้สิบเอร์เซ็นแล้วมันจะไปพอเหลือกินที่ไหนคนระับเพราะฉะนั้นเวลาจํากัดเนี่ยท่านจะเทศท่านจะสอนท่านจะอะไรเอาคนที่บัวพ้นน้ำก่อนฉะนั้นพระเจ้าแสดงมาถมเทศนาจึงไปเทศสอนใครครับปัญจวัคคีย์พอปัญจวัคคีย์บรรลุแล้วเนี่ยนะครับ ท่านอัศเชียบองเดียวไปเทศได้สารีบุตรกับโมกขลามาเอ็โดยเทศได้สารีบุตรมาอัศเชิยสารีบุตรไปชวนโมกขลามาอักษาวกเมื่อขวามาเพราะปัญจวัคคีนะครับแล้วสารีบุตรโมกขลาเนี่ยไปเทศต่ออีกไม่รู้เท่าไรท่นนี่เขาเรียกว่าเอาน้อยเพื่อมากท่านทํางานอะไรก็ตามนะครับมันจะให้เหนื่อยน้อยเนี่ยท่านจะต้องทุ่นแรงอย่างนี้ต้องเลือกทํา เรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนเพื่อให้มันสำเร็จแล้วไป ม, ม, มีมีผลขยายออกไปอตรงแข่ข้ามครับท่านไปมีเรื่องในเรื่องอะไรก็ตามนะครับมันให้มันเกิดปัญหาเนี่ยมันแค่ย0บยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของปัญหาทั้งหมดแต่ปล่อยปัญหานั้นไว้ไม่แก้ไขแต่เวลาเสียหายมันเสียหายแปดสิบเปอร์ซ็นเนี่ยท่านรีบแก้ก่อนอย่าให้น้ำพึ้งหยดเดียวเนี่ยนะครับ 2ี่อร์ซของปัญหานี่มันกลายเป็นแปดสิบเอร์เซนบางท่านบางรูปเป็นเจ้าวาดไฟแรงนะครับพอเป็นปุ๊บทำอะไรครับปิดทางเข้าวัดผ่านวัดคนเคยสัญจรได้มอเตอร์ไซค์ได้งานเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่างานเข้าครับโอ้ยลองมาถึงเจ้าคณะจังหวัดนะให้ปลดเพราะไอ้เรื่องแค่นี้นะครับ งานเข้าเลยเรียกแขกครับหลายเรื่องนะครับในมสเราเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้อย่าไปทําเลยเดี๋ยวงานเข้าอีกเรื่องนี้อย่าไปสั่งเลยค้นด่าทั้งเมืองเหรอใช่ไหมไอเรื่องยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราทำดีตั้งร้อยหยาดแต่มาทําไอ้นี่ยี่สิบมันเสียหายแปดสิบนะคร <S <S <S <S ผมอาจจะไปเทศไปสอนทํางานเยอะ แต่ถ้าเจดีพังเนี่ยมันคือยี่สิบแต่เสียหายแปดสิบผมจึงไม่รอผมจึงซ่อมเจดีนี่คือตัวอย่างนะครับแล้วผมก็ถามว่าเราพร้อมไหมที่จะดำเนินการไม่ไม่พร้อมเงินไม่มีมีจุดอ่อนของผมนีเ่เรื่องของเจดีนะครับ ท่าหมดเลยรโอกาสมีครับคนอยากช่วยเยอะแต่ไม่มีสตังค์เอเราจะทำยังไงครับถึงจะไปหาสตังค์มาอะไรมามันก็ต้องลองเสี่ยงดูถ้าท่านมีนะครับมีจุดเดน่นมีโอกาสรีบทำถ้าท่านมีจุดด้อยมีโอกาสลองเสี่ยงดูครับ บางท่านไม่เสี่ยงก็ไม่เป็นไรแต่ของผมมันเสี่ยงไม่ได้จะดีมันจะคว้างก็เลยต้องลองเสี่ยงประกาศซ่อมครับและบานท่านเนี่นะครับบางวัดเป็นเจ้าวัดแล้วมีจุดเด่นแต่มันมีอุปสรรคท่านมีเจ้าภาพจะให้สร้างแต่ไม่มีที่ มีโอกาสโอกาสมาจากข้างนอกให้สร้างโรงเรียนบาลีธรรมท่าอยากจะเปิดโรงเรียนแต่ท่านจะต้องไปไล่ที่ชาวบ้านชาวบ้านเป็นอุปสรรคในกรณีอย่างนี้ถ้าท่านลุยไปไดีไม่ไดีไม่ได้สร้างครับค่อยๆเจรจารอไปก่อนครับแต่รอนานนะรอนานโอกาสหายก็มีเพราะฉะนั้นท่านก็นจะต้องประเมินดูว่าจะเนจเจรจาจะรออะไรท่านดูดิวัดพิชัยญาติ ค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็ค่อยขยายชาวบ้านที่ไปอยู่ก็ค่อยไปพอเจริญจุดหนึ่งตรงนี้เจริญชาวบ้านเขาเห็นเขาก็ถอยให้เองไปเรื่อยๆแต่ถ้าท่านไปบอกว่าเราจะทำหมดทีเดียวเขายังไม่เห็นว่าท่านทําจริงไหมฝ่ายค้านมันเยอะครับลดฝ่ายค้านเรามีความร้อนแต่ว่าค่อยๆทําให้เขาเห็นผลงานอุปสรรคมันจะค่อยๆลดลงใจเย็นๆหน่อยสุดท้ายครับถ้า ตัวเองก็ไม่พร้อมมีจุดด้อยและก็มีอุปสรรคนะครับผมมีอุปสรรคจําวัดต่อไปครับเรื่องนั้นอย่าไปทำซุกเก็บไว้ถอยก่อนแต่อันไหนเรามีความพร้อมโอกาสมีรีบทำอันไหนเรามีความพร้อมมีอุปสรรคทำ ช, ช้า ค่อยๆทำไปพร้อมตรงนี้ทำตรงนี้พร้อมตรงนั้นทำตรงนั้นสุดหล้วถ้าอันไหนเราไม่พร้อมแต่มีโอกาสเขาเรียกลองเสี่ยงดูเสี่ยงสุดท้ายโอกาสก็ไม่มีอุปสรรคก็เยอะเราก็ไม่พร้อมอย่าไปแตะมันถ้าดูนะแต่ละเรื่องผมพูดเรื่องความเสี่ยงกันนิดหนึงที่ว่าให้ลองเสี่ยงเนี่ยนะครับเสี่ยงคืออะไรนะครับ บางทีผมเสียดายนะครับเห็นข่าวกุฏิสมงไทยไม้สักไฟไหม้ร้อยปีนะครับไม้สักร้อยปีขึ้นไปไฟไหม้ในเขตภาคผมก็เกิดอยู่เลยผม ท, ทั้งที่ผมคอยเตือนคอบอกอย่าอย่าไม่อย่าปล่อยให้เกิดความเสี่ยงเสี่ยงคืออะไรครับคือภาวะคุกคลามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ทําให้เราทําไม่สําเร็จ มันมีความเสี่ยงทุกคนมีความเสี่ยงเท่านั้นเราต้องการสาเร็จคือต้องการไปเชียงใหม่ขึ้นเครื่องบินมีความเสี่ยงไหมที่จะพาไม่เราไปไม่ถึงเสี่ยงขึ้นรถมีความเสี่ยงไหมเสี่ยงรถไฟก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยทำงานมันก็ต้องเสี่ยงบางโคดเนี่ยปลอดภัยไว้ก่อนคือไม่ทาอะไรที่สุดก็ไม่มีผลงานท่านต้องรู้จักบริหารความเสี่ยง บางคนก็บอกว่าอ่านนิตจังรอะไรๆมันก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้ไฟไหม้ไปไม่ใช่นะครับความเสี่ยงมันมีกับงานทุกงานจะมากจะน้อยถ้าท่านไม่ทำงานไม่มีเป้าหมายอาจจะไม่มีความเสี่ยงเลยเช่นท่านไม่ไปไหนเลยอยู่แต่กับในกุฏิมันก็ไม่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุแต่เมื่อท่านจะเดินทางมันต้องมีความเสี่ยง ความเสี่ยงไม่ใช่ความไม่เที่ยงนะครับมันเป็นหนึ่งของความไม่เที่ยงแต่มันเป็นความไม่เที่ยงที่เกี่ยวกับเป้าหมายที่เราต้องการบรรลุถ้าเรามีเป้าหมายเมื่อไรเนี่ยนะมันจะเสี่ยงทันทีเช่นท่านมาอบรมอยู่ที่นี่อยากให้จบเสี่ยงต่อสุขภาพเพราะท่านป่วยดีไม่ดีไม่จบแต่ถ้าท่านไม่มามันก็ไม่ป่วยมากพอมาแล้วต้องถอนตัว เห็นไหมครับเราก็ลองลุ้นกันหน่อยที่มาแล้วมันจะจบไหมกี่วันเนี่ยสุขภาพได้รอนุญาตไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราทําอะไรเท่านั้นแหละครับเขาเรียกมารมันถึงจะมาถ้าผู้ที่เจ้าไม่คิดจะเป็นจตั้งรู้มานไม่มาหรอกครับมานคือความคือเป้าหมายที่จะมาขัดขวางสิ่งที่มาขัดขวางไม่ให้เร า, ารู้เป้าหมายคือความเสี่ยงโอกาสที่จะเจอมันมีถ้าเราไม่คิด ค้าขายเราก็ไม่เสี่ยงขาดทุนเราไม่เอาเงินไปฝากธนาคารมันก็ไม่มีปัญหาแต่พอเรามีเป้าหมายขึ้นมามันจะเกิดปัญหาขึ้นมาทีนี้ท่านเป็นเจ้าวาดมีหน้าที่ในการรักษาเสนาสนะอย่าให้ไฟไหม้ท่านก็ไปดูสิครับโกติสมไทยท่านมีเรือนไทย แล้วสายไฟมารโยงระยางไฟฟ้าลัดวงจรนี่มันเสี่ยงหรือเปล่าเสี่ยงยอมเปลี่ยนสายเก่าๆไม่ดีหรือจุดเทียนหลังจากที่ทาวัดสวดมนต์ที่หอสวดมนต์ไม้ทั้งหลังท่านสวดมนต์จำเป็นไหมจำเป็นจุดเทียนเสียเส่ยงั้ยเสี่ยงถ้าอย่างนั้นไม่เสี่ยงทาไมก็หลับไปเลยไม่ต้องทำวัดสวดมนต์ไปตั้งจุดเทียนไม่ใช่ครับ แต่พอเรามีเป้าหมายที่จะทําทมันสเสี่ยงเท่านั้นท่านก็มาดูอย่างนี้ครับในกรณีของความเสี่ยงเนี่ยท่านจะบริหารอย่างไร mm hmm. เช่นหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบางท่านบางคนเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่ากลัวมันจะเกิดปัญหาหลีกเลี่ยงก็คือไม่ทําอะไรเลยไปทางนี้มีโจรรออ ย, อยู่ไม่ไปมันละ อันนี้ก็คือหลีกเลียกหลีกเรียกนะครับต่อมาครับเราจะต้องทาลดความสูญเสียได้ไหมเสีย่ยงเหมือนกันนะครับไปเครื่องบินไปเชียงใหม่เครื่องบินเนีนะ่ยมันตกแล้วตายนั่งรถไฟไดีกว่าเสี่ยงน้อยปว่าเห็นไหมครับเราลดความสูญเสียเราเอาเงินไปฝากไว้ ถามว่ามันเงินวัดมีสิทธิ์หายไหมมีสิทธิ์แต่หลายคนคุมเนี่ยมันลดความเสี่ยงนะครับคนนี้คุมคนนี้คนนี้เรียกว่าบัญชีกับฝ่ายเก็บเงินเนี่ยอย่างน้อยเราอีกคนหนึ่งสามคนมันลดความเสีย่ยงถ้าจะสูญเสียมันอาจจะสูญเสียทำไมเราจะต้องไปเก็บไว้ในที่เดียวกันเขาเรียกว่าเก็บไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวกันเวลาตกแตกมันแตกหมดนะครับ เอาไว้เก็บไว้หลายๆตั้ง้าเลยครับเขาเรียกว่าลดความสูญเสียข้อสามครับถ้ามันจะต้องสูญเสียรับไหวไหมถ้าเกิดว่าเราจะทํางานนี้แล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาเราคนเดียวสา ม, มารถรับผิดชอบได้ไหมถ้ารับผิดชอบเขาเรียกว่าจ่ายคืนได้อะไรได้ทํา เธรับผิดชอบไม่ได้ไม่ไหวไม่ทําเรื่องนี้สังเกตหครับนักรบเลยนะครับท้าดวลกันเลยครับพระ น, นเรศวรเนี่ยเสี่ยงไหมล่ะชนช้างเนี่ยเกิดถ้าแพ้โดนกินรวบทั้งประเทศแต่ถ้าชนะเราก็กินรวบทั้งประเทศชนช้างนี่ก็เสี่ยงอีกแบบหนึง่งไม่ลบคนเดียว เอาช้างชักช้างหนีพม่าถ้าหนีทันก็ไม่ต้องไปเสี่ยงชนช้างถ้าหนีไม่ทันมันมีปืนนะครับยิ่งตายเลยโดนยิงตายเพราะฉะนั้นพระนเรศวรท่านคำนวณแล้วเสี่ยงแบบไหนมันมันคุ้มกว่าท่านรับไว้เองชนช้างทุทกคน ข้อที่สี่ครับทายโอนความเสีย่ยงบางเรื่องบางอย่างรับไม่ไหวครับเขาทําไงล่ะมีประกันเพลิงประกันภัยประกันอุบัติเหตุทุกวันนี้รถเก่าๆไม่มีปัญญาจ่ายนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุแต่ทุกคันต้องมีพบรบมีประกันภัยต้องจ่ายจ่ายแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุบริษัทประกันภัยรับผิดชอบฉะนั้นบางเรื่องบางอย่าง เราเราไม่สามารถที่จะรับกับกนได้คนเดียวมีของมีค่าอยู่ในวัดนะครับเอาหลายๆคนมาช่วยกันดูแลตำรวจใครต่อใครให้เขารับรู้ไม่ใช่ของอะไรต่างๆก็เก็บไว้พุติเจ้าว่าโจรมาเรารับคนเดียวสิครับบางทีต้องไปฝากธนาคารฝากแบงค์ของมีค่าอะไรต่างๆไม่ให้กระจายความเสี่ยงครับให้คนอื่นรับผิดชอบ ผมขอไปเรื่องสุดท้ายครับคือธรร ม, มาพิบาลสรุปธรร ม, มาพิบาลเนี่ยผมสรุปสี่เรื่องก่อนให้หกเรื่องนะครับธรร ม, มาพิบาลคือการปกครองที่ดีเนี่ยหนึ่งให้คนมามีส่วนร่วมในการตัดสินใจช่วยกันคิดช่วยกันทำอย่างงุกงิบทาคนเดียวข้อสองโปร่งใสตรวจสอบได้ เรื่องการเงินเนี่ยท่านต้องทำทำบัญชีทำอะไรให้หมดเลยใครเบิกใครไปอะไรต่างๆเก็บไว้ถ้าเขาสงสยัยตรวจสอบได้ข้อสาม ร, รับผิดชอบเวลาที่ท่านสั่งเนี่ยถ้าสั่งใครจัดงานมีกรรมการดูแลอย่ามีมติที่ประชุมไปแล้วไม่มอบหมายใครเลย ไม่มีเจ้าภาพเด็กขาดไมฉะนั้นจะไม่มีคนทำข้อสี่หลักนิติธรรมเขาไม่ใช่หลักคุณธรรมหลักนิติธรรมหมายถึงทำตามระเบียบกฎหมายเขาให้ท่านทำอะไรทำตามนั้นแล้วท่านปลอดภัยครับหลักนิติธรรมนะครับข้อสี่ตามระเบียบกฎหมายเขาบอกว่าท่านจะต้องทำอะไรท่านตอนยังไงทำตามนั้นอย่างแล้วเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่าง เรื่องสุดท้ายให้ฟังว่าผมทำยังไงข้อที่5ครับหลักประสิทธิภาพครับหลักประสิทธิภาพหมายถึงลงทุนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนมากเขาเรียกคุ้มทุนอยาตำน้ำพลิกละลายแม่นะ้ำบางวัดมีเงินเยอะนะครับสร้างสร้างตึกขึ้นมาหลังหนึ่งแล้วไม่พอใจทุบทิ้งเลยผมเสียดายเขาคงถือว่าไม่มีประสิทธิภาพ ในการออกแบบในการคิดเนี่ยถ้าจะต้องวางแผนให้รอบคอบก่อนไม่ใช่ทาแล้วไปทุบทิ้งทีหลังและข้อหกประสิทธิผลประสิทธิผลหมายถึงการประกันคุณภาพประกันคุณภาพเมื่อรับปากใครว่าจะทําอะไรต้องทําตามนั้นครับเมื่อรับเงินโยมมาสิบล้านจะมาสร้างมันต้องสร้างทั้งสิบล้านแล้วออกแบบอย่างดีวัสดุอย่างนี้ไม่ใช่เอาไปทําอย่างอื่น ใช้เงินผิดประเภทบางคนนี่รับเงินโยมมาจากต่างประเทศสองล้านบอกว่าจะไปสร้างอาคารโยมก็มาเล่าให้ผมฟังผ่านไปสองปีไปดูมีมะลกออยู่ต้นเดียวไม่รู้เงินไปน่ะอย่างนี้ไม่คุ้มไม่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิผลเราเปิดหลักสูตรเรียนนักมธรรมาศิษาสอบตกหมดเลยไม่มีประสิทธิผลให้มันได้มาก อาจจะไม่คุ้มนะครับสมมติเอานะ้าโอนนักเรียนข้อสอบสิบรูปแต่ได้เป็นมหาปรรียาสักรูปนึงมีประสิทธิผลแต่ถามว่าคุ้มไหมอาจจะไม่คุ้มไม่มีประสิทธิภาพแพงโรงเรียนข้างนอกเขาไม่ได้เรียนแพงอย่างเรากว่าจะเป็นมหาเนี่ยแต่ได้มหาปรรียนมารูปนึ่งเป็นทายาทรศาสนาสืบต่อดูแลวัดเราเอ า, เอาผลเป็นตัวตั้งหกเรื่องนะครับ มีส่วนร่วมโปร่งใสรับผิดชอบหลักนิติธรรมประสิทธิภาพประสิทธิผลเขาเรียกธรรมาพิบัติสุดท้ายครับผมพูดมาเพื่อจะมายกตัวอย่างเรื่องที่เกี่ยวกับปร ะ, ประสิทธิภาพไ อ, ไอ้เรื่องหลักนิติธรรมในการที่ผมซ่อมเจดีย์วัดไปยูเรื่องแรกครับ การมีส่วนร่วมเวลาเราทํางานเนี่ยเราไม่ได้ทําคนเดียวเราให้คนมีส่วนร่วมผมใช้บวรครับบ้านวัดวราชาการมาช่วยซ่อมเจดีย์มันถึงได้รางวัลยูเนสโกบ้านวัดวราชาการผมไม่อธิบายนะครับบ้านคือคนที่จะมาบริจาคมาช่วยราชาการคือผมได้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพลเรือรักขบัง อธิการบดีมาช่วยออกแบบทั้งหมดเลยตั้งกรรมการมีกรมศริลปากรมีใครต่งางมัช่วยเป็นกรรมการคุมการก่อสร้างออกแบบทุกอย่างและผมทําตามหลักกฎหมายคือขออนุญาตกรมศริลปากรก่อนแล้วก็ดําเนินการสรุปแล้วถึงผมไม่เชี่ยวชาญในเรื่องเจดีแต่ผมมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยหมดเลยวานแผนทั้งหมดบ้านวัดราชการบางวรร ในชุมชนที่ผมอยู่มี 4, 3สามศาสนาสี่ความเชื่อครับชุมชนที่เห็นหกชุมชนมีศาสนาสามศาสนาสี่ความเชื่อมีพุทธเถราวาทมหายานมีคริสมีอิสลามผมเอามาช่วยงานหมดเลยนะครับการมีส่วนร่วมอันนี้ทำผังให้เห็นเลยย่านกะดีจีนเนี่ยวัดผมอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยที่สีสะพานพุทธเนี่ยพวกเหานี้เนี่ยเป็นพันธมิตรผมหมดนะครับ จัดงานวัดทั้งหมดเนี่ยทั้งคริสทั้งอิสลามมาประกวดอาหารมาอะไรต่างๆมาช่วยหมดเลยนะครับเป็นชุมชนตัวอย่างตอนนี้ที่บอกว่าทําไมนะครับตาบางทีทั่วประเทศจะมาดูงานที่นี่ภาคใต้ก็มาดูงานทํางานกันยังไงผมเอามาทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาทําผังให้หมดมาทํางานร่วมกันก่อนบุรณะเจดีย์ผมเป็นอย่างนี้ครับมันเอียงนี่ครับ เก่าคั้คล้ามากโลกไอ้บริษัทสร้างภาพยนตร์เนี่ยชอบมาขออนุญาตนะครับทําหนังสือมาขอ้อขอสร้างภาพยนตร์ผมก็ดีใจเนี่ยพอเห็นแล้วผมก็ตกใจขอสร้างหนังผีทั้งนั้นเลยครับในใจดีผมอะ่ะมันน่ากลัวไหมครับท่นเนี่ยมันหูมันพังมันเอียงอันเนี้ยปิดมาห้าปีครับสํานักงานเนี่ยที่จะเข้าเนี่ยเรื่องสุดท้ายนะครับก่อนบูรณนะ สหบุคมฟิล์มขอสร้างหนังเรื่องโอปปาติกาครับหนังสื อ, อยังอยู่กับผมเลยผมเลยเจ็บใจเลืวอเงินเห็นเจดีย์เราเป็นฉากหนังผีไม่ได้ยังไงเศร้าใจครับผมก็คิดยี่สิบแปดสิบท่านทำอะไรแค่ยี่สิบแต่ไม่ได้ผลแปดสิบซ่อมเจดีย์สิครับราะมันสูงใช่ไหมถ้าไม่มีถ้าเจดีย์เนี่ยใครก็เห็นซ่อมให้สำเร็จมันได้ผลแปดสิปอร์เซ ทำยี่เหนื่อย20ิบได้ผลแปดสิบแต่อะไรที่พังแล้วยี่สิบแต่มันเสียหายแปดสิบก็คือเจดีย์ผมก็ตัดสินใจเหตุที่เจดีย์เอียงเพราะมันมีเสาแกนกลางท่านที่ท่านเห็นนี่แกนกลางนี่นะครับหนักร้อยสี่สิบสี่ตันมันหักที่โคนน่าจะเป็นช่วงสงครามโลกแล้วพิงไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาเจดีย์เอียงถ้ามันยังอยู่ตาาบเจดเจดีย์จะซุดไปเรื่อยๆแลในสุดมันก็โค่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอา เอาเสาแกนกลางเนี่ยตั้งอย่างเดิมผมก็ออกแบบเอครับให้ทุกคนมีส่วนร่วมให้ราชบังมาออกแบบทำเรื่องขออนุญาตไปที่กรมศิลปากรขอราชบังเ็บอกไงครับลื้อทั้งหมดเลยอิดทั้งหมดเนี่ยตรงกลางเนี่ยแล้วมาก่อใหม่เอาเหล็กด่างเพราะมันเป็นที่แคบเข้ายากมากต้องพลานเข้านะครับกรมศิลป์แม่อนุญาตครับ เขาบอกเหลือเจดีอมเดียวในประเทศไทยที่มีแกนกลางนอกนั้นสร้างแบบมีเสาหมดเป็นอาคารหมดหรือไม่ก็ทึบตันเข้าไม่ได้แต่เจดีวัตประยุทธ์เข้าไปข้างในได้เพราะฉะนั้นไม่อนุ ญ, ญาตคนระับผมทําไงรู้ไหมนี่อาคารทางเข้าผมทําสิ่งที่ถูกที่สุดก่อนแล้วคนเห็นก่อนทาสีครับล้านบาทหนึ่งล้านเอง ทำนั่งร้านเนี่ยนะครับล้านบาทแล้วในประวัติวัดเขาบอกว่าเชื่อกันว่ามีพระสารีนิกข่าต์อยู่ในพระเจดีย์หาก็ไม่เจอครับผมก็เลยไปศรีลังกาครับไปได้พระสารีนิกข่าท์จากวัดถู ป, ปาราลัตมนตรีถวายมาผมก็มาเก็บไว้ใ น, ในวิหารแล้วก็กะว่าจะเอาไปไว้บนเจดีย์ประชุมผู้ช่วยเจ้าวาดครับ เราจะไปไว้ตรงไหนถ้าเราเอานั่งร้านลงเขาเครื่อนข้างไหนไม่ได้ขอความมีส่วนร่วมปรึกษาหารือกันโปรง่งใสทําอะไรโ ป, ปร่งใสหมดตาบอกว่าผู้ช่วยบอกบางคนก็มาไว้ข้างล่างบางคนก็ไว้ข้างบ น, บนตรงกลางเขาบอกเอางี้ก็แล้วกันทานที่ดีปีนขึ้นไปบนจะดีเนะไปดูเองแล้วเราจะรู้ว่าจะไว้ตรงไหนผู้ช่วยผมรูปหนึ่งถ้าเป็นเจ้าคุณอายุ80บอกผมปีนไม่ไหวหรอกชาวว่าจะปีนเอง แข็งแรงผมก็บอกถ้าศาสตร์องศาสตราจารย์จากราชกบังกล้าปีนเจ้าวาดจะปีนผมดุแก่ๆ แ, แล้วแกไม่กล้าหรอกผมก็พูดเล่นรองศาสตราจารย์สมศักดิ์คนนั้นบอกหปีนกับเจ้าวา ด, ด้บุญครับผมปีนครับที่ประชุมเลยสาทุกเป็นเอกฉันท์ให้เจ้าวาดปีนเออลูกน้องสิบห้าคนโหวดเป็นเอกฉันท์ให้เจ้าวาดปีนท่าผมก็บอกว่า ได้อีกสองวันวันอาทิตย์มานะแปดโมงเช้าเตรียมคนปีเลยเดี๋ยวมาพร้อมกันพอาะแปดโมงเข้ามาผมบอกวันนี้ซ้อมรับกรินพระราชฐานไม่ว่างคุณปีนเองเออผมก็เข้าไปซ้อมรับกระถินนยให้เขาไปปีนเขาก็บอกว่าก่อนผมจะเข้าเขาก็บอกว่าผมจะรอพวกช่างเลยนะผมบอกไม่ต้องรอง ผมก็เลยไปบอกเลขาครับเลขาเข า, ากรรมการบอกท่านเป็นพระหนุ่มปีแทนผมนะเดี๋ยวผมจะซ้อมรับกระถินแล้วบ่ายสองโมงกระถินจะมาพระบอกว่าไงไหมไม่่ะครับหลวงพ่อผมจะอยู่รับกระถินตอนบ่ายเลขาผมก็ดีเหลือเกินนะครับไม่ยอมปีนท่านผมออกมาครับเขาก็ยังรอท่นอยู่ในสุดผมก็เลยต้องปีนท่านนะปีนนั่ขึ้นไปนะท่านดนูนีขึ้นไปจนถึงตรงนี้ท่านเห็นวัดโพ เห็นแม่น้ำเจ้าพรยาเห็นลรบางศิริราชเลยสูงมากนี่จุดนี้ครับเนี่ยไอเขาเรียก่าอะไรปลอมฉนไนเนี่ยสุดท้ายเลยนเนี่ยเนี่ยเหล็กเกา่าๆอย่างเงี้ยนะนี่ผมไปอธิฐานคนเห็นภาพกระถามว่าท่านอธิฐานอะไรก็อธิฐานให้หลวงโดยปลอดภัยนะสิผู้ช่วยเจ้าวาดผมมามุงดูกันเนาะเจ้าวาดเป็นอะไรได้ไปปีหนึ่งนะ่ะตําแหน่งเจ้าวาดแล้วเนี่ยอธิการก็เจ้าวาด คณะาภาคก็จะว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นมสอดูกันเฉยๆแต่ผมอธิฐานอะไรเนี่ยผมไม่บอกพออธิฐานเสร็จผมรู้ว่าข้างในเนี่ยมีภาษาลีานิกกะท่าไม่ต้องเอาของศีลรษามาลงไปเย็นนั้นผมบอกที่ประชุมบอกว่าไม่ต้องเอาของศีลกากขึ้นไปนะข้างในมีภาษาลีกกะท่าอยู่แล้วที่ประชุมถามผมว่าแล้วรู้ได้ไงผมบอกผมรู้ว่ามีเอ้า ผมอยู่มาจนอายุ80ไปยังไม่มีใครบอกว่ามีตรงไหนเลยมีถ้าไม่เชื่อโปรดปีนเองแล้วจะรู้เชื่อมวเลยท่านไม่ยอมมีใครปีนผมก็พอรู้ว่ามีก็เลยส่งทีมขึ้นไปอีกสองวันเนี่ยส่งทีมขึ้นไปสำรวจตรงไหนปุบปุก่อนที่เราจะนั่งร้านลงแล้วเจาะขึ้นไปจะเจอห้องลับเก็บภาษาลีกทั ขึ้นไปจริงๆสามชั่วโมงไม่เจอเลยเจาะตรงไหนก็ไม่เจอเพราะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากจนห้าโมงเย็นเนี่ยตอนนั้นเป็นเดือนพฤศจิกาพระที่เขาถือพระห้าองค์ทาะวาห้าคนที่โทรเขามีโทรศัพท์มือถือนะเขาโทรมาบอกว่าขอลงเถอะครับไม่เจอแล้วผมบอกว่าอีกนิดเถอนะหนึ่งผมก็ดื้อนนะอีกสิบห้านาทีเขาก็โทรมาบอกไม่มีละผมก็บอกอีกนิดเถอนะน่ แล้วผมก็คิดในใจถ้าเขาโทรมาอีกขอลงเป็นตติยางพี่นี่ผมจะให้เขาลงไหมผมจะพูดว่ายังไงแล้วในสุดมันก็ไม่ต้องไปเจออะไรเลยคนมีผมเชื่ออยู่คนเดียวว่ามีคนอื่นหาแล้วก็ไม่เจอเขาจะขอลงพอคิดไปสักพักเขาก็โทรมาบอกเจอแล้วครับผมดีใจเป็นยังไงตอบเข้าไปเป็นโหลโงชงฉายไฟฉายเห็นเสียนพระอยู่ข้างในผมบอกไม่ต้องเปิดนะเดี๋ยวจเจ้าว่าดขึ้นไปบัญชาการเองผมขึ้นไปคุมเลยท่าน นั่งไอ้นั่งร้านเนี่ยนะค่อยขาเขาอิดมันอิดสองชั้นเอาอิดออกมันเป็นห้องลับแล้วเขาฉาปูนไม่มีทางรู้เลยเปิดเข้าไปเป็นอย่างนี้ครับนี่คือห้องลับครับก่อนจะเอาของลงล้วเราถ่ายภาพไว้เขาเห็นเห็นเศษลักตรงนี้มีกระดานฉาดวนท่านสักเกตไม่ให้พูกมาแล้วเนี่ยร้อยปีแล้วตอนนั้นเนี่ยหยิบขึ้นมาเนี่ยครับกรอบไม้นี่พูดมาเลย ในนี้มีภาษาล like ีนิกกะท่านครับเขาเรียกอุเป็นเครื่องจักสานโบราณแล้วก็มีพระทองคำเนี่ยล้อมภาษาลีนิกกะท่านครับมีบาทอยู่ข้างๆอีกมีของทั้งหมดเป็นพันชิ้นครับนี่คือภาษาลีนิกกะท่านอยู่ในทองคำไอ้แผ่นทองคำพอพอกรูแตกเท่านั้นครับทีวีทุกช่องมาทำข่าว หนังสือพิมพ์พาดหัวทุกฉบับว่าวัดดังกรูแตกมากันใหญ่จะขอเช่าครับเศรษฐีมากันใหญ่ตรงนี้แหละครับที่ธรรมมาพิบาลที่ผมเล่ามาท่านนึกออกไหมครับนี่ธรรมมาพิบาลไอ้หกข้อเนี่ยผมตัดสินด้วยธรรมมาพิบาติเท่าไผมจะกลับไปตรงธรรมมาพิบาลคือผมจะต้องตัดสินใจว่านี่ครับ หนึ่งเมื่อกรูแตกแล้วผมจะปฏิบัติการอย่างไรเศรษฐีพร้อมที่จะมาเช่าในราคาแพงๆเป็นล้านเอาเงินซ่อมจะดีจบเลยผมบอกผมบอกว่าไงครับไม่ให้พวกคุณมีเงินเช่าไปแล้วก็ไาวอยู่คนเดียวนี่เป็นมรดกของชาติสมบัติภาศาสนาผมจะไว้ในพิพิธภัณฑ์ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมาดูได้หมดกี่ชิ้น ผมให้กรมศริลปรกรมาทำทะเบียนครับทุกชิ้นเลยแล้วเอาจะไว้ตรงไหนเมื่อกี้ท่านเห็นไหมภาพไอ้ท่านจำไห้นะส่วนร่วมโปรง่งใสรับผิดชอบหลักนิติธรรมอะไรต่างผมทำไปตามขั้นตอนหมดแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยที่ ผมจะเอาตรงนี้นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่หลังนี้แหละมาช่วยกันซ่อมสิตอนนั้นลัการ่วงหมดเลยเขาปิดมาหกปีกรมศิลปากรขออนุญา ต, รตรรากรมศิลปากรหปีเขาไม่อนุญาตครับพอครูแตกจยาเป็นนทยเขารีบอนุญาตเลยครับ <S <S <S และถ้าคุณอยากจะเห็นของดีนะที่เราเก็บไว้รีบ ม, มาบริจาคซ่อมัะเร็วๆมากันใหญ่นะครับบริจาคครับการมีส่วนร่วมโปร่งใส กมศินมาทําบัญชีทุกอย่างทุกชิ้นพระพุทธรูปบางองคนะที่เอาแสดงเนี่ยเจ้ารักรองเจ้านะจังหวัดกําแพงเพชรมาเห็นข้าบอกหู oo, เอามาแสดงได้ไงเนี่ยผมยัผมมีอยู่ผมจะไม่กล้าบอกใครมันแพงกลัวบักกลัวโจรเนี่ยมาชู้ไปหมดเลยผมก็บอกไว้นเนี่ยให้ทุกคนมีส่วนร่วมโปรง่งใสแต่ว่าเรามีระบบไอ้เขาเรียกอะไรกันขโมยระบบทุกอย่างเซกิวิตี้ในที่สุดนะทํานเรียครับให้ท่านดู ซ่อมคนมาล่วมกับบริจาคเยอะเลยครับเพราะว่าการมีส่วนร่วมโปร่งใสนี่แหละซ่อมเสร็จครับเจดีย์ทาสีเสร็จเนี่ยช่องตรงนี้ครับที่คนพบสมเด็จพระเทพสเสด็จมาอัญเชิญภาษาลีดีกะท่านครึ่งหนึ่งไปไว้ข้างบนแล้วก็มาเปิดพิษพันธ์ครับนี่นี่เจดีย์ซ่อมแล้วนี่หลังนี้แหละครับพิพิธภัณฑ์ที่เก่าเมื่อกี้นี่ครับซ่อมเสร็จเป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นพิธภัณฑ์นะ ของที่พบทั้งหมดนี่ครับญาติโยมอาพระทองคำมาบริจาคครับเพราะเห็นผมทำโปร่งใสเฝ้าอย่างดีมีระบบท่านสร้างไหมครับองค์นี้เนี่ยครับสูงคืบหนึ่งเป็นพระกรูนาคามอายุพันปีเป็นทองคำครับผมไปให้ร้านที่ภารัฐตรวจ ด, ดูด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทองคำก็าสิบแปดเปอร์เซ็นตโยมมาถวายนี่พระนอนก็มีมีพระทองคำ หมอมปริมบุญนาคครับมีพระองค์นี้สูงร้อยห้าสิบเซนเป็นบายอนครับของขอมหินสีเขียวครับอายุแกเขาหมอมปริมเนี่ยเก้าสิบกว่าลูกกลัวลูกหลานจะไปขายฝรั่งเป็นของพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนเขาเป็นหมอมของพระองค์เจ้าพานุพันพาุพันยุคนเพราะฉะนั้นกลัวลูกหลานไปขายต่างประเทศเอามาถวายครับเพราะว่าผมรักษาบรารดกของชาติ อยู่ในพิธภัณฑ์เนี่ยนะท่านหาดูได้เฉพาะในพิธภัณฑ์นะครับองนี้ไม่มีถ้าไม่ใช่ของเจ้านะครับไม่มีทางเหลือกี่สิบล้านยังไม่รู้หรือไม่อยากบอกนะครับนี่ครับในพิธภัณฑ์ผมนี่คือเจดีสำเร็จประเทศมามาเปิดเนนะี่ยในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะเสาแกนกลางครับรเราไม่ได้รื้อครับเรายกขึ้นตั้งอย่างเดิมในที่แคบทำสําเร็จ เป็นสิ่งอัศจรรย์ยูเนสโกให้รางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งครับนี่ครับ Award of อ x c e l l e n c e ในปี2556เป็นวัดเดียวในประเทศไทยได้รางวัลอันดับหนึ่งเคยมีนะครับแต่ได้รางวัลอันดับสามหรือชมเชยยังไม่มีอันดับสองเใยจากยูเนสโกนี่ครับเขามาทำพิธีมอบรางวัลจากคณะหใหญ่ไปร่วมงานด้วยครับจะป็นสมเร็จผมสรุปนะครับ ที่ได้รางวัลเพราะหนึ่งการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายบ้านวัดราชการสองโปร่งใสครับขนาดพระที่ได้มาผมทำให้ทักให้กรมศิลปาทำเป็นขบยนไว้หมดเลยเดี๋ยวนี้ถ้าไปดูก็ได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์แต่ผมไม่แค่โฆษณาเพราะว่ามีพระมีราคามากแต่ถามว่าทำไมต้องไว้ในพิพิธภัณฑ์ลงไปเก็บกุฏิจะเอาว่าสิครับโจรมันเดจะไปเยี่ยมสิครับ ผมก็ให้ทุกฝ่ายเนี่ยมาช่วยกันตํารวจทุกคนชาวบ้านเป็นสมบัติของส่วนรวมไม่ใช่ของผมคนเดียวเรื่องอะไรจะมาสงภาลรเวาที่พระพรหมบดีนะครับเออทุกคนรู้หมดส่วนรวมโปร่งใสรับผิดชอบทุกฝ่ายมาช่วยกันรับผิดชอบเจ้าหน้าที่รับผิดชอบใครจะเอาของมาไว้ในพิธพธภัณฑ์นนะต้องอายุร้อยปีขึ้นไปนะครับไม่งั้นเจ้าหน้าที่ผมคัดออกไปเลยโอ้ผมมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบพระเกศผมก็ไม่เอา ท่านไปดูได้สุดท้ายอันที่สี่นิติธรรมครับผมซ่อมทุกอย่างตามกฎหมายขออนุญาตถูกต้องหมดนะครับตามระเบียบข้อที่ห้าประสิทธิภาพใช้งบประมาณไม่มากแต่ได้รางวัลคุ้มเลยครับและประสิทธิธผมอย่างที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นหลักธรรมมาพิบารเนี่ยเอาไปใช้แล้วท่านมีโอกาสนะครับผมโฆษณาไปดู ที่วัดประยูนเนี่ยที่ได้รางวัลยูเนสโกตอนซ่อมวัดอรุณนะครับพระปรางวัดอรุณผมให้พระวัอรุณมาช่วยกันดูมาดูทําไมเราได้จนบัด น, นี้ยังไม่เห็นได้รางวัลเลยครับวัดอรุณผมก็รุ่นนี่พูดฝากไปด้วยแล้วก็อุตส่าห์มาดูงานวัดประยู น, นยฉะนั้นวัดเล็กๆนี่ยนะครับแต่ว่าเราบริหารจัดการให้มันเป็นให้มันดีแล้วก็ ใช้ระบบ 80-20 อย่างที่ผมว่ามาแล้วก็ดูจุดเด่นจุดด้อยโอกาสอุปสรรคคิดแต่ละเรื่อง ก, ก็สามารถที่จะทำการใหญ่ได้ครับผมขอฝากขอคิดความเห็นแต่ท่านทั้งหลายไว้ด้วยลาพิคณีครับในทื่สุดนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญตรรัสอนที่ท่านทั้งหลายประเพทเพื่อพระศาสนา ขอจงมารวมกันเป็นตะบากเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัอยอโนวยอวยพรให้ทุกรูปทุกท่านมีความเจริญงอกงามไพยบูลยิ่งขึ้นไปในพระบวรพุทธศาสนาประสงประสงจำานงหมายสิ่งใดก็ให้พันสำเร็จสมมโนรถมุ่งมา่ปราถนาทุกรูปทุกท่านตลอดกาลละนานเทิน